ส่วนใหญ่คนจะไม่รู้ข้างบนนี้มี ม, มีที่ปฏิบัติธรรมคนที่มาทําบุญที่วัดตานเช้าก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ส่วนใหญ่เขาก็มามาทําบุญกับบาททำเทศแต่เขาไข่ข้างบนนี้ก็ก็ไม่ค่อยได้ปล่อยให้ใครขึ้นมาเพราะก็กลัวเขาจะขึ้นมาแล้วก็จะมาม า, มาแล้ว ก, กลัวไง สร้างความมึนวาที่มันไม่ค่อยใหญ่ก็ไลยต้องประมาณระวังหน่อยทเป็นทุข์เข่าทุ ก, ท, ก, ท, กที่เป็นเกขตของสงฆที่เราใช้ปฏิบัติทุกทีสึกิไล่นั่น ก็ประมาณไม่ค่อยได้นะไม่ทราบแต่เนื้อที่ของของเขตเขานีทั้งหมดประมาณสองพันไร่ก็มีถนน้นยิ่งรอบประมาณเกือบแปดกิโลตอนนี้ที่เป็นยิ่งรอบเขาส่วนเขตที่ของท้าอยู่นี้ก็ก็อาจจะมาณสักร้อยไร่ได้มั้งคือท่าลึกแปดสิบไรมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นวงกลมเนี่ยเป็นทางเดินไปแล้วก็อ้อมกลับออกมาตรงนี้ ก็จะมีกุฏิยากยกไปตามทางดตกุฏิวันนี้ก็อยู่ได้ประมาณทักสิบกราลูกไม่ไ้ก็ไม่คอยก็ไม่ไม่ไม่ไม่มีมากย่านกจ็จะอยู่ 5, แค่ห้าหกลูอที่นี่ก็แบบว่ายังไม่ค่อยนีไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่ ถ้าเขาบวชเขาก็อยากจะถ้าเขาปฏิบัติเขาก็อยากจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ส่วนพวกที่ปฏิบตพวกที่บวชช่วงชั่วคราวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติเขาก็ไม่ค่อยชอบที่ขึ้นมาเพราะข้างบนนีน่มันมันกันด้านเรื่องไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำก็ต้องอาไัยน้ำฝนลองใส่ทาก็าต้องใช้ประหยัดเพราะว่า น้ำมันไม่มากมีแทงสองสามลิตรสองสิบลิดนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยลงไปข้างล่างเช่นตอนเช้าเวลาเราจะลงไปในบินระบาดก่อนจะออกบินระบาดก็อาจจะส่งน้ำที่ข้างล่างก็้ขล่างมีมีน้ำต่อฟางมีโซฟาคือข้างวนนี้เวลาส่งน้ำก็แบบประหยัดประหยัดหน่อย สิ่ห้าขันใื้พอชำระพอเช็ดสูให้ชำระกลิ่นตัวอะไรไอะไรแต่ถ้าคนที่ชอบความสงบอะเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าตะดวกกระสับเพราความสงบนี่มันมันมีความสุขมากกว่า ม, มากกว่าความสุขที่ได้จากการอาบน้าเยอะๆอาบน้ําสับบัวบน้ําเน่ะ อาบน้ำในอ่าง ม, มันก็สูงแค่แขนาดที่อาบเท่านั้นเองก็ออกจากห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ร้อนแล้วจิตใจก็ร้อนต่ อ, อแต่ถ้าจิตใจมันเย็นจากความสงบนล้มันมันเย็นตลอดเวลาเรื่องของใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องอื่นถ้าเราเข้าถึงใจแล้วเราได้เห็นความสงบของใจแล้วเราจะสามารถ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 เราอยู่ภายใต้ของกระแสะของความอยากมานานจนติดเป็นนิสัยไปถ้าได้อะไรทาได้อะไตามความอยากแล้วจะมีความเสร็จเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดหรือติดพวกสุราหรือบุหรี่ถ้าได้เสพพวกนี้มาเป็นประจําแล้วเวลาอยากจะเสพที่ไรแล้วได้เสพมันก็มีความเจ็บแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เสพขึ้นมา มันจะรู้ว่ามันเป็นธรรมคแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันทุกนานต้องรีบไปหามาบำบัดความทุกข์ทางโดยการหามมาเสด็ต่อไปโดยกลายเป็นธาตุของของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดจากความอยากเป็นตัวพาไปพวกเราก็เช่นเดียวกันก็เรามีความสุขกับความอยากกันเวลาเราอยากจะไปไหนแล้วเราได้ไปเราก็มีความสุข แต่ถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแนละ้วเราไม่ได้ไปช่วงนั้นเราจะมีความทุกข์มากเพื่อนฝูงก็ไปกินเลี้ยงกันเราก็ต้องนอนอยู่บ้านหรือนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีความทุกข์ใจแต่พอเราออกจากโรงพยาบาลหรือหายจากไข้แลนะ้วเราก็ต้อ ง, ง, งรีบไปทันทีมีโอกาสไม่ไปเข้าไปอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดคิดเลยว่าว่าการไปนี่มันเป็นการ เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราที่จะรอเราอยู่ภายในภาคหน้าเวลาที่เราไม่สามารถทำตามสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไมา่แค่วนี้ก็มีหญิงาราคนหนึ่งมาลูกก็พามาทำบุญก็เป็นอมตะพุธเดินระโถกกะเพกลูกก็ต้องประครับประคองมา แต่ก็ยังอยากจะทําบุญแล้พี่ลูกเบอกว่าถ้าอยากจะทําบุญก็ต้องพยายามเดินมาให้ได้เพราะลบมลุงเข้าไปถึงขุดไม่ง่าก็ต้องเดินไปเมื่อตแล้วแต่ก็จิตใจก็มีความทุกข์มากเพราะว่าร่างกายไม่สามารถทําอะไรตามความความต้องการอย่างที่ควรทําได้ก็พยายามปลอบใจเพราะว่าเป็นเหมือนกันทุกคน่ เวลาทุกค น, กนยุงเหยงก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเท่านั้นต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ปวดแล้วก็ต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นถึงแต่ว่าาจของเรามันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรตามร่างกายนี้ไปเท่านั้นเองถ้าเราสามารถระงับดับความอยากที่จะทําสิ่งนั้นสนี้โดยอาศัยร่างกายของเราเป็นตัวพาไปเป็นเครื่องมือทําเราจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเรา ถือว่าเป็นอามาันมพาตกรรมภาพไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับคู่ก็อยู่ไปใจมันไม่ได้อยากจะไปไหนมันก็ไม่เดือดร้อนใจมันก็มีความสุขเหมือนเดิมใจรู้จักทําความสงบให้เกิดขึ้นความทุกข์มันเกิดจากความดิ่นรมตะเกียบตะกายของความอยากคือความอยากนี้มันทําให้จุดกระเสือกกระสอเรื่นรมมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้น ไม่ได้กระทำในสิ่งที่ตนเองอยากจะทําเวลาได้กระทําก็มีความสุขนี่เป็นจิตของคนที่ไม่หนไม่เคยพบกับความสงบนั้นแต่คนที่พอกกับความสงบแล้วกลับเห็นการกระเสริฐกระสุ้นนี้เป็นความทุกข์เปความวุ่นวายไปไหนจะทำอะไรถ้ามันเลื่อนมากก็อย่าจะทำมันเลยป่ะอยู่เฉยๆนี่แหละแล้วจะสบายกินแล้วนอนก็พอแล้วเวลา ที่กินแล้วนอนกันไม่ได้หรือว่าอยู่ไม่เป็นสมก็เพราะว่าจิตใจของเราไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือไม่ได้รับการกําจัดความอยากที่มีภายในจิตในกายของเราเพราะพวกเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นโทษเราอยู่กัมันมามันเป็นเหมือนเพื่อนของเรามันเป็นเหมือนตัวที่จะเนรมิตสิ่ต่างๆที่เรา ที่ให้มาให้กับเราเราอยากได้อะไรเราก็ไปหามาได้โลกนี้จึงมีของเต็มไปหมดเลยของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตออกมาเนี่ยก็ออกมาจากความอยากของมนุษย์เราเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่า น, นี้มันให้ความสุขกับเรามากน้อยเพียงไรแล้วให้กับความทุกข์กับเรามากน้อยเพียงไรเราไม่เคยเอามาช่างดูกั น, นพอเราเกิดความอยากมันก็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 รองเท้านี่อาจจะมีเป็นร้อยคู่กันทั้งที่ละเท้าก็มีอยู่เพียงคู่เดียวเท่านั้นเองเวลาใส่ก็ใส่ได้เพียงคู่เดียวแต่ความอยากมันไม่มีขอบไม่มีขนดพอมันเห็นคู่ใหม่มันก็ติดใจอยากจะได้ขึ้นมาหรมาใส่หนเดียวแล้วก็เก็บไว้ในตู้บางทีอาจจะไม่ได้ใส่เลยเหตอนี้นเราไม่ไค่อยคิดกันเพราะว่ามัน มันบาดใจเราพอเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่ไม่ได้ทําไปตามที่อยากมันทรมานว่าถึงต้องทํากันไปเรื่อ ย, อยชีวิตของเราก็เลยวนเวียนอยู่กับการแสวงหาสิ่งต่างๆไปเรื่อยเหมือนกับวิ่งตะคุกเงาตัวเราเองเงามันเงาของตัวเรามันจะทอดไปข้างหน้าอยู่เสมอเราเดินตามเงาไปเงามันก็หนีเราไปเรื่อยๆ ความพอก็เหมือนกันความพอที่จะเกิดจากความอยากแล้วมันไม่มีคิดว่าได้สิ่งนี้แล้วจะพอมันไม่พอพอได้มาแล้วมันก็มีสิ่งอื่นที่อยากได้อีกลองต้องเข้ามาแก้ปัญหาที่ใจเราเ้งเพราะใจเรานี้เป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองใจนี้พระพุทธเจ้าสงัดไว้ว่า ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานคิดถึงทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีความเจริญก็ดีความทุกข์ก็ดีความเสื่อมก็ดีล้วนเกิดจากใจทั้งนั้นถ้าใจฉลาดเรียกว่ากุศลาธรรมาใจมีปัญญาใจก็จะสร้างสิ่งที่ดีที่งามที่สุขให้กับเราถ้าใจเป็นใจที่ง้อเขาเบลอกปัญญา ที่เรียกว่ามีอกุศลาคือมีความหนงอยู่ในใจมีอวิชชาความไม่รู้อยู่ในใจก็จะไปตามความอยากต่างๆดังนั้นเราจึงต้องมาพิจารณาดูว่าเราควรที่จะทําอะไรกับใจของเราถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยการศึกษาการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จากเพราะพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเองก็ดีถ้าฟังแล้วเราก็จะได้เกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าเราควรที่จะทําอย่างไรถึงที่จะทําให้เรามีความสุขมีความเจริญอย่างวันนี้ที่เรามามาทําบุญกันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลาธรรมเป็นการกระทําที่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 มีความอิ่มใจเพราะบุญนี้มันเป็นเหมือนกับมาหารของจิตใจนั่นเองส่วนการกระทำความอยากนี่มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับตัวพยาธที่จะคอยคอยทำให้เรามีความหิว อ, อยู่เรื่อยๆทํรตามความอยากมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอทั้งสิคนบางคนที่เขาหาเงินมาได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ยังไม่ ยังไม่ออเขาก็ยังอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่า mm hmm. การทำอะไรตางความอย่างกไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นอิ่มนั่นเองแต่คนที่ให้ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆนั้นจิตใจเขาจะไม่ค่อยมีความอยากเท่าไหร่เขาจะมีความสุขเขาจะมีความสบายใจไม่มีอะไรเขาก็อยู่ได้เพราะธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ ยิ่งได้มามากก็หลายตามความอยากยิ่งมีความอยากต้องการเพิ่มมากขึ้นไปยิ่งตัดความอยากด้วยการเสียตละดสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไปคือแทนที่จะเอาเอาไปซื้อของหรือเอาไปกระทําตามความอยากความอยากนั้นมันก็จะถูกตัดไปเมื่อความอยากถูกตัดไปกําลังของความอยากมันก็จะอ่อนไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่เราอยากจะทําอะไรแล้วเราไม่ทําตามความอยากนั้นครั้งต่อไปความอยากนั้นก็จะเบาลงไปเช่นเวลาเราเราอยากจะเสดธุล า, ายามาเราเคยเสดอยูเป็นประจำพอถึงเวลาก็จะเสดวันนี้เราตัดสินใจว่าวันนี้จะไม่จะไม่เสดเราจะไม่ดื่มวันนี้พอพรุ่งนี้ความอยากจะดื่มมันก็จะเบาลงไปแล้ววันต่อไปถ้าเรา ไม่เสรจมันอีกไปสักสองสามครั้งเท่านั้นเองมันก็จะรู้สึกเฉยๆมันจะไม่มีกำลังธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนั้นยิ่งทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรมันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเพียงนั้นสังเกน ด, ดูสมัยที่เราเป็นเด็กๆความอยากของของเด็กๆก็เป็นระดับหนึ่งเด็กๆได้สตังไปซื้อขนมก็มีความสุข แ, แต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องซื้อของที่แพงขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้น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 ว่าความอยากของเรามันก็จะขยายแผ่วงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเคยถืกถกดผัดให้ใช้เงินใช้คองตามความจําจเป็นคืออันไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่ไปใช้มันเช่นเสื้อผ้าเรามีพอแล้วเรามีสองสามชุดเอาไว้ใส่เอาไว้เปลี่ยนมีรองเท้าสักคู่สองคู่ไว้ใช้เช่าที่จําเป็นแล้วถึงแม้เราจะมีเงินจะมีรายได้มากขึ้นเราก็ไม่ใช้เงินนั้น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 ต่อไปเราอาจจะขับรถทุกห้าล้านก็ได้มันก็ลดเหมือนกันมันก็พาเราไปจุดมายปลายทางได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีรัษนิยมสูงขึ้นมีราคาแพงขึ้นนั้นเองปัญหาของคนเราก็เลยอยู่ที่ว่าไม่เคยไม่เคยมีความสุขกับการใช้เงินใช้ของเพราะว่าใช้ใช้ไปเท่าไหร่มันก็จะไม่พอใช้อยู่ตามไป ถ้าใช้ไปตามความอยากความต้องการแต่ถ้าใช้ไปตามความจําเป็นแล้วจะมีเงินทองเหลือแล้วเมื่อมีเงินทองเหลือแล้วได้เอาไปทําประโยชน์เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปทาบุญทําทานก็จะทําให้จิตใจมีความสุขยิ่งมีความอื่นมากขึ้นยิ่งทําให้ไม่ไม่มีความอยากที่จะต้องการสิ่งต่างๆมากขึ้น คนที่ทําบุญจริงๆนักทาบุญแต่ น, นี้จะเป็นคนสมถะตัวเองจะไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากยกตัวอย่างถ้าถึงสุดก็แบบพระกรูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านอยู่ยังไงท่านก็อยู่อย่างนั้นท่านก็มีแค่สมบัติแค่แปดจริงคือบริหารแปดมีบาตใบหนึ่งมีผ้าสามขืนมีมีมีโ่โจรมีที่กรองน้ามีที่ประคบเอำมีได้กระถึง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 ความทุกความเจ็บน้ําน้ําใจนะั้นมันก็จะกลับมาหาเราเวลาเราไปทำอะไรทรอยเขาเดือดร้อนแล้วใจเราก็ไม่สบายนะใจเราก็วิตกเราก็กังวลพอโดยธรรมชาติเราก็รู้ว่าคนเราเมื่อเขาเจ็บเขาก็จะต้องอยากที่จะทำให้เราเจ็บเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะเจ็บเราก็เลยเกิดความตัวขึ้นมาเกิดความวิตกขึ้นมามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ส่วนเวลาเราช่วยเหลือใครให้เขามีความสุขเราก็รู้ว่าเขาจะไม่มาทำอะไรเพราะเขาจะมีความขอบอกขอบใจในจิตในใจของเขามีแต่คิดจะหาเวลาหาโอกาสที่จะต้องแทนบุญคุณที่เราได้ช่วยเหลือเขาทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาเพราะการทำบุญที่จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงต้องทำโดยปราศ จ, จากความ หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้การช่วยเหลือเราช่วยเหลือเพราะด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นเขาทุกข์เห็นเขายากเห็นเขาลาบากก็อยากจะให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความยากความลาบากนั้นเราก็ทำไปเท่านั้นเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราทำแล้วเราหวังที่จะให้เขามีสำานกว่าเราได้ทำสิ่งที่สิ่งที่ดีให้กับเขาแล้ว เ, เกิดเขาไม่ได้มีความจำเนกอย่างนั้น เราก็จะเสียใจเรื่อเราจะไม่พอใจถ้าเราทําแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นการทําบุญมันเป็นเหมือนกับการทําการค้ามากกว่ามัมีการแลกเปลี่ยนกันฉันทําอย่างนี้ให้กับเธอเธอจะต้องทำอย่างนี้ให้กับฉั น, ฉนเชธอจะต้องขอบ อ, อกขอบใจจะเลกในบุญคุณที่ฉันได้ทําให้กับคุณอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทําบุญเรี่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนมันก็จะไม่มี ไม่มีผลทางด้านจิตใจเหมือนกับเราทํามาค้าขายคนมาซื้อของเราก็ให้ของก็ไปเราได้เงินเข้ามาก็เท่านั้นหรือเราเอาเงินไปซื้อของเราได้ของมาเขาได้เงินไปจิตใจก็จะไม่มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจแต่อย่างไรแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปแจกไปจ่ายโดยที่ไม่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากการให้เงินนี้ไปเราจะมีความสุขใจกิดขึ้นมา ใจได้คลายความยึดติดอยู่ในเงินก้อนนั้นเงินก้อนนั้นก็หมดภาระกับเราไปเราไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเสียดายมันก้อนเดียวกันนี้ถ้าให้ไปด้วยความสมัครใจมันเป็นความสุขแต่ถ้ามันลุดมือไปโดยที่เรายังไม่ได้พร้อมไม่ได้ตั้งใจแค่โดนขโมยไปหรือเงินเงินหายไปลเงินก้อนเดียวกันนี้มีความแตกต่างกัน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 เราก็จะไม่เสียใจการทำบุญอยู่เรื่อยๆ จ, จะทำให้เราไม่ค่อยมีความทุกข์กับการกับการพัดาลาทกับวัตถุเข้าของต่างๆเพราะเราให้อยู่อย่างสม่าเสมอพอเกิดมีขโมยขึ้นบ้านมาขโมยข้าวของไปเราก็จะรู้สึกว่าดีไม่ต้องขนข้าวไปทำบุญให้เสียเวลามีคนมาขนให้เราถึงที่บ้านเลยแล้วเราก็มีโอกาสได้ซื้อของใหม่ๆมาใช้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 ก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความคิดเพราะมันเป็นความจําเป็นอย่างนี้ก็ก็เป็นความคิดคนที่ขโมยเครื่องเก่าไปเขาก็ได้เขาก็ได้เงินก้อนนั้นไปเราก็ได้เครื่องใหม่มาดูนี่คือความคิดของคนที่ทําบนอยู่เรื่อยๆคิดใจจะเป็นอย่างไรเวลาถึงเสียอะไรจะไม่ร้องหมร้องไห้จะไม่โวยวายจะไม่วุ่นวายใจจะถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติ คเราเกิดมาแล้วอยู่ในโลกของความในเครื่องแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่มันเป็นสมบัติชื่วคราวแค่นั้นเองไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปนรืมันก็ต้องจากเราไปมันเป็นความจริงของโลกนี้โลกนี้เป็นที่ที่เรามาสวยบุญหรือสวยกรรมเนี่ยแล้วก็มาสร้างบุญหรือมาสร้างกรรม ว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่แค่เพียงภพนิชชานี้เท่านั้นร่างกายของเรานี้เนเป็นเพียงเหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจเราใจเรานี้มีชีวิตที่ยืนยาวนานเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเวลามาเกิดในภพนิชชาณ์นี้เหมือนกับมาเอาเสื้อผ้ามาใส่ชุดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเมื่อเสื้อผ้าชุดนี้ขาดไปเราก็เปลี่ยนชุดใหม่ เราจะได้ชุดใหม่ที่ดีกว่าเกา่าหรือเร็วกว่าเกา่าก็อยู่ที่บุญกรรมที่เรามาสร้างกันในวันนี้ถ้าเราสร้างบุญมากกว่าสร้างกรรมเสื้อผ้าชุดใหม่มันก็จะดีกว่าชุดดามคือเราจะได้พบชาติที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเราทําสร้างกรรมมากกว่าสร้างบุญเราก็จะได้เสื้อผ้าที่แย่กว่าหรือเร็วกว่าที่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 จะไปครอบครองร่างกายเหมือนอย่างที่ร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วร่างกายนี้ถ้าเปรียบเที่ยวก็เหมือนกับเสื้อผ้าของใจเสื้อผ้าของเราที่เราใส่ทุกวันนี้เราก็ใส่เองตอนเช้าพอถึงตอนเย็นเราอาบน้ำาถ้าเราก็เปลี่ยนใหม่ใส่ชุดใหม่ชุดเก่าก็หมดไปสันใดร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้เมื่อมันแตกแบบสลายไปมันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดเก่า เราก็ต้องหาชุดใหม่มาเปลี่ยนเราจะได้ชุดดีกว่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราสร้างไว้ในภบนี้และภบในอดีตที่เราได้ทําไว้ที่ยังไม่ได้ส่งผลตามมาคือในอดีตเราก็ทําบุญทํากรรมมาด้วยเหมือนกับในครบนี้ชาตินี้เราก็ทําบุญทํากรรมมาด้วย อุก ร, รมที่เราทำในอดีตบ า, บางส่วนยังไม่ได้ส่งผลมันก็ยังสามารถส่งผลให้กับเราได้ในชาติหน้าและอุกรรมที่เราทำในชาตินี้มันก็ผสมประสัยไปด้วยก็สามารถส่งผลให้กับชีวิตของเราในภะพต่อไปได้นี่คือหลักความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่าน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 ถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจนี้ใจแยกออกจากร่างกายนี้ไปแล้วร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนซืนหรือจะเรียกว่าเป็นซากศพก็ได้เช่นคนตายนั้นไม่มีไม่มีใจอยู่กับร่างกายนั้นแล้วจะสั่งให้ร่างกายนั้นขยับ็ยื่นไปไหนไปทำอะไรก็ไม่มีใครสามารถสั่งร่างกายนั้นได้เพราะมีใจของของของของร่างกายนั้นท่านั้นที่จะสามารถสั่งได้เมื่อใจไม่ได้อยู่ในร่างกายนั้นแล้วถูกตัด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 พยาบาลเวลาเขาจะตรวจโรคเขาก็ต้องเพาะเชื้อเอาส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากร่างกายแล้วก็เอาไปส่องดูในกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นว่าอ๋อมี ม, มีมีเชื้อโรคอะไรอยู่ในในในในชิ้นนั้นในตัวอย่างที่เอามาจากออกมาจากร่างกายต้องอาศัยกล้องถึงจะมองเห็นการภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์ ถ้าเราภาวนาจนทำจิตใจให้สงบยวมยงเป็นหนึ่งได้เราจะเห็นตัวใจเพราะในขณะจิตรวมลงเป็นหนึ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายไปนหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พระหรือร่างกายนี้มันจะหายไปจากความรู้สึกมันจะเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวที่เรียกว่าสัตว์ประโลมอันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราควบคุมจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐาน จะเป็นพุโทโธก็ได้เป็นอานาปณะสติก็ได้หรืออะไรที่ถูกเจริตกับเราเราก็กําหนดให้อยู่ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นๆอย่าปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถทําได้จนถึงจิตที่มันรวมลงเป็นหนึ่งได้เราก็จะเกิดความสายประหลาดมาอาศัยใจใจในขณะนั้นมันอยู่ตามหลงพังของมัน มันไม่รับรู้เรื่อ ง, งเรื่องราวต่างๆภายนอกไม่ว่าลูกเสียงกินรสสัมผัสับพรเรื่องเรื่องราวของร่างกายมันจะไม่เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเราจึงรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือใจใจเป็นอย่างนี้เรารู้ว่าไอตัวนี้ที่มันไม่ได้เป็นกายรู้ว่าเวลากายมันเป็นอะไรไปไอตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับกายไอตัวนี้มันจะไปหรือไม่ไปก็ขึ้นอยู่กับ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 ทางภาวนาแล้วจิตลมลงพอเห็นจิตนี้ก็มานจะมาคบว่าตอนนั้นจิตถึงนิพพานเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นเป็นภ้าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานชั่วคราวคือขณะ น, นั้นมันเหมือนกับเป็นนิพพานคือมันมันสงบสะอาดแต่ความความส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นกิเลสปัญหาเครื่ อ, องเศร้าหมองมันยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปมันเพียงแต่สงบตัวลงไปด้วย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 เราต้องแยกมันออกออกจากน้าให้หมดถ้าสามารถแยกออกจากน้าให้หมดหร้อแยกออกจากใจให้หมดได้ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาการที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ได้นี้ต้องอาศัยปัญญาและ ว, วิปัสสนาต้องพิจารณาให้เห็นให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความสมบเป็นที่เราอยากก็เพราะว่าเราหลงนั่นเอง เราหลวงเห็นสิ่งใดที่เราถูกอกถูกใจเราชอบขึ้นมาเราก็อยากจะได้ว่าเราคิดว่าเราได้แล้วจะให้ความสุขกับเราเราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่มันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเช่นสมมติเราอยู่คนเดียวเรามีความทุกข์กับอะไรบ้าง <c oughs> ก็ไม่มีก็มีความคทุกข์กับตัวเราเท่านั้นเองถ้าเราเอาอะไรมาเป็นสมบัติเราก็ต้องทุกข์กับสมบัติทิ่นั้นเอารถมาคันหนึ่งก็ต้องามาทุกข์กับรถยน เราจะต้องคอยดูแลคอยเติมน้ามันคอยคอยเอาเข้าอู่เอาคอยต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้ถูกขโมยไปพอถูกขโมยไปเรื่อยเกิดมันเสียมันทังไปก็เกิดความทุกข์ยากขึ้นมายถ้าไม่มีมันก็ไม่เดินร้อนกับรถยนต์ถึงแม้มันจะมีประโยชน์ถึงแม้จะมันมีอะไรก็ต่างแต่มันก็มีมันก็มีโทษอยู่ในตัวของมันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้ที่เราคิดว่าเราได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรามันก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่หรือตามหรือหรือติดติดอยู่ในตัวนั้นมันรอเวลาที่จะปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองพอได้อะไรมาแล้วก็กลายเป็นภาระทางด้านจิตใจที่จะต้องคอยดูแลรักษาคอยพววงคอยกังวลแล้วก็ต้องมาเสียจักเสียออกเสียใจเวลาที่มันเสียไปหรือมันหายไป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 มีเงินทองมากน้อยเพื่อไรก็ต้องขนมาไปไปซื้อมาให้ได้เช่นข้าวของต่างๆที่เราซื้อมาใช้กันทุกวันบางทีมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องมีแต่เราอยากจะได้แล้วเรามีเงินทองที่จะซื้อแล้วก็ไปซื้อมันมาซืมาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาพอหายไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดก็รีบหาซื้อมาใหม่เอามาทดแทน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 ถ้าปัญญายังช้ากว่าที่เหลืก็ยังต้องไปเอามาแบกบเป็นกองทุกข์ต่อไปก็ยังไม่หลุดพ้นเราจะหลุดพ้นก็ต้องทันกับกับความอยากทุกชนิดอยากจะได้อะไรมาปับปัญญามาหยุดมันทันทีเป็นความทุกข์นะเป็นความวุ่นวายนะไม่มีสบายกว่านะถ้าอย่างนี้มันก็จะสามารถ่ันกันได้มันก็ดับกันได้ อยาจะทําทันกันได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งสมถะและวิปัสสนาเพือจะปล่อยให้จิตอยู่เฉยๆแล้วไม่มีการควบคุมดูแลด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิไม่ได้ไม่ลเวลาใดเวลาหนึ่งมันต้องอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่อยู่ในสมาธิถ้าออกจากสมาธิก็ต้องมีสติมีปัญญาคอยคอยคุมอยู่ทุกเวลาคุมดูความคิดนี่แหละความคิดก็คือตัว เรื่องมือสงใจเวลาเห็นอะไรปั๊บมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาจริงๆ ท, ทั้งสองส่วนนี้ก็เป็นปัญหายินดียินดีก็ทำให้เกิดปัญหาความอยากได้ยินร้ายก็เกิดความวิพะวิภ ว, วะตัญหาความความอยากจะหนีจากสิ่งนั้นไปเราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะั้นมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่า ย, ยินดีหรือ น, น่า ย, ยินร้ายมันก็มาจาก ดินน้ำลมไฟทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นนี่มันไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นสิไม่ไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเห็นอะไรดูอะไรปั๊บถ้าเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปถึงไม่จะชอบไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราทําใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาเสียไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมันก็จบ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 ติดอยู่ไม่มีกาวหลงเหลืออยู่ในใจกาวนี้ก็คือตันหารูปตัวอุปทานนี้เองความยึดมั่นถือมั่นสังเกตดูถ้ามีกระดาษอะไรที่มันมีกาวพอเราเอานิ้วไปแตะพับมันก็ติดแน่นเลยใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นมีความยินดียินร้ายอยู่มันก็จะติดเลยเพออะไรมาสัมผัสกับใจปั๊บมันก็จะเกิดอาการติดขึ้นมาเกิดภาวะเกิด กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็าาาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาไขาคุ้นอยู่เรื่อยๆว่าตลอดเวลาแล้วมันก็จะรู้ทันเวลาเกิดความยินดีก็ตับได้เวลาเกิดความยินร้ายก็ตัดได้พยายาปรับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะกลายเป็นนิสัยชึนะ้นมากลายเป็นเฉยๆไปแต่ไม่ได้เป็นแบบเฉยเมยเฉยแบบรู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง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 เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ไปเดือดร้อนอะกับมันคือเมื่อเรายังอยู่ในโลกสมมุติอยู่เรายังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยู่เราก็ไม่ได้อยู่แบบคนหูหนวกตาบอดคนที่มีมีปัญญาไม่ได้เป็นแบบคนเฉยเมยเฉยนิ่งแต่ไม่ได้เฉยเมยจิตใจเฉยเพราะไม่ได้มีความยินดียินร้ายแต่มีปัญญาที่จะใช้เหตุผลพิจารณาว่า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 อยู่เนือสิ่งต่าง ๆ, ๆที่มาเกี่ยวข้องได้ไม่ให้มีสิ่งต่างๆมาททำให้จิตใจวันไหวได้ไม่ว่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งดีใจก็ตามเิ้ยใจก็ตามจะไม่เกิดขึ้นกับใจที่ได้รับการดูแลด้วยธรรมะคือสมาธิและปัญญาเนี่นี่คือการดูแลรักษาใจเราได้รับรับใจได้รับการดูแลรักษาแล้วจนกมะทั่งไม่มีอะไรสามารถมา มากระทบมาสร้างความหวั่นไหวให้กับใจได้แล้วใจนั้นก็สบายเป็นเหมือนกับหินต่อให้มีพายุมาพัดแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถพัดให้หินก้อนัน้นขยับเขยันได้นี่แหละคือผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติทำเริ่มต้นตั้งแต่การทำรํำดงให้ทานรักษาสิ่แล้วก็ภาวนาจนกระทั่งทําให้จิตใจเป็นจิตที่อยู่เนื้อ ควหนาดของความอยากที่คอยผักคอยฉุดคอยลากให้เราต้องไปเียนไหวตายเกิดในแสวงหาสิ่งต่างๆมาแบบไม่รจักจบจากขึ้นมาเป็นเวล า, านานยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกม่รอีกนานัเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้มาเจอาศาสนาและเราไม่ได้เอ า, าศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการได้มาพบ พ, พ, พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับย า, ารักษาโรค ถ้าเราไม่เอายามารับประทานร่วคของเราก็ไม่หายยาจะวิเศษขนาดไหนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่รับประทานยานนั้ศาสนาพุทธวิเศษขนาดไหนก็ทําทให้คนเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็ตามถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติกับตัวเราเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนา ด, ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปฏิเสธได้กับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราต้องเลือกระหว่างการปฏิบัติตามศาสนา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 แต่คนใดที่ได้ศึกษาับศาสนาอย่างลึกซึ้งและได้นำไปปฏิบัตินะแล้วจะเห็นคุณค่าของศาสนานี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นเพชรเงรินจินดาเงินทองกองเท่าภูเขานะั้นไม่มีความหมายเลยสําหรับจิตใจเพราะจิตใจมันไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่ได้รับความสุขจากเงินทองกองเท่าภูเขานะั้นแต่จะถูกเงินกองกองเท่าภูเขานะั้นบีบกดให้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา มีคนฉลาดจะเห็นอย่างนั้นแต่คนโง่ก็จะเห็นตรงข้ามยิง่งมีเงินเยอะยิง่งมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ากําลังกอดอยู่กับกลองระเบิดลูกๆระเบิดที่มันจะระเบิดใส่เราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เวลาที่เราทุกข์นั่นแหะเราถึงมันก็มันก็เกิดจากเงนินทองที่เรามีอยู่นั่นเองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเอามาสั่งสอนพวกเรา ขอให้เราเน่ามาปฏิบัติตามกําลังแห่งศรัทธากําลังสติปัญญาของเราเท่าที่เราจะสามารถปฏิบัติได้อย่าทอแท้อย่าไปมองคนอื่นเราทํามากน้อยเท่าไรเราทําได้ก็ทําของเราไปคนอื่นก็ทําได้มากน้อยกับเราก็เรื่องของเขาเพราะเราแต่ละคนมีบุญบารมีสร้างมาไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยสิ่งที่เรามีเท่ากันก็คือโอกาสโอกาสที่เราจะสามารถสร้างบุญบารมีในชาตินี้ได้ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันผ่านไป แล้วชีวิตของเราจะมีความหมายและเราจะมีประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปดังนั้นก็ขออนุตตรน้อยท่านครับเริ่มต้นที่อาจารย์ผู้ถเรื่องของคนสมัยนี้ชอบวัตถุนิยมเหรอะสมเข้าของ เกิดความจําเป็นเนี่ยนะครัแง่เวลายโยมพิจารณาของจำมอกว่าเอินของที่เราจะที่จะหามามาสะ ส, ะสมนัม้นเป็นของจําเป็นในชีวิตหรือไม่ไมมไมแต่ถ้าบอกว่าหมองในแง้ของหลักธรรมที่จะพิจารณาอบยาเขาพิจารณาเอาค ง, งจะมองในแง่ของไตรับที่มันมันอย่างนี้หรือมันดีมันดีความจำเป็นยังไงก็ตัดคือถ้ามองในไตรับเราจะเห็นผลที่มันจะกระทบกับจิตใจของเรา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีผลเสียมากกว่าผลได้<ม>คือมันจะทําให้จิตใจเราต้องมาวุ่นวายกับมันต้<ม>องสังเกตดู<ม>ได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่งเป็นภาระและ้วซื้อโทรศมพท์มือถือมาสักเครื่องหนึ่งก็ต้อง ค, คอยชาร์จมันแล้วต้องคอยคอยดูคอยดูแลคอยรักษามันแล้วแล้วเผอลืมไปที่ไหนปั๊บโอ้ใจก็หายแล้วนี่แต่เรื่องทําให้เกิดความทุกข์ใจเท่านั้นแต่สู้มีบัตรใบเดียวไม่ได้สบายกว่า นอยากจะใช้ก็ไปเสียบบัตรเอาตามเครื่องตามที่ไหนก็มีมันสบายกว่าเยอะสบายทางด้านจิตใจแต่จะไม่อาจจะไม่สบายทางด้านการใช้มันเพราะว่าต้องเดินหาเครื่องแต่มันก็ทำให้เราเกิดความขยันมันเพียนมีความอดทนอดกลั้นแต่ถ้าเรามีมือถือมันไม่มีความอดทนอดกลั้นอยากจะพูดจะคุยกับใครก็กดปุ๊บก็ได้พูดได้คุย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 ถ้าเราโทรแล้วเราสามารถขายของขายประกันได้เงี้ยได้รา ไ, ได้มาเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าโทรไปแล้วมีแต่เสียเงินแล้วต้องมาร้องห่มร้งองไห้จากการโทรอีกมันก็เหมือนกับคนบ้าใช่ไหม <laughs> เสียเงินแล้วยังต้องมาเสียใจโทรไปหาแฟนแล้วแฟนไม่พูดด้วยงเงี้ยทุกอย่างนี้ถึงแล้วจะรูะาา้ว่าเราอยู่ในกดของใจเราแล้วนะคะแต่บางครั้งก็เกิดมีความทข้าแท้ในจิตใจเนี่ย แม้แต่ว่าเซลล์บางสิ่งที่ทําให้เราจะบางวันดำเนินช อ, อยู่ต่อไปได้เดี๋ยวี่ไม่ท้อแท้กับสิ่งนั้นต้องพยายามทําสมาธิให้ได้สมาธินี่จะเป็นตัวที่พึ่งของ จ, จิตใจถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่ท้อแท้กับอะไรพอมันท้อแท้มันก็เข้าไปอยู่ในสมาธิ mm hmm. แล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปความท้อแท้เกิดจากความคิดรุนของเราสร้างมันขึ้นมาเอง mm hmm. พอเราสงบปักความท้อแท้นี้มันก็หายไป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 อย่างน้อยอาไม่ถึงกับสงบเต็มที่ก็ได้อย่างน้อยก็ให้รู้จักสวดมนต์ได้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงในแบเนี้เวลาสวดมนต์ไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันมาสร้างความทุกข์ความท้อแท้มันก็จะไม่มีโอกาสเข้ามามาเบียดเบียนใจเราได้เพราะใจเรากําลังสวดมนต์อยู่ไอ้ความทุกขเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท้อแท้มันก็หายไปแล้วก็ความท้อแท้นันก็หายไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาในจิตของเราเอง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 เราจริงต้องต้องปฏิบัติทุกวันอย่างน้อยเช้าเย็นควรจะมีมีการนั่งสมาธิหรือไห ว, ว้พระอวดมนต์พระขึ้นชั่วโมงหรือชั่วโมงแล้วก็เวลาอื่นก็สุดแท้แต่ถ้าเรามีสติเวลาเราทํางานช่วงไหนมีเวลาว่างเราก็หาหาหาที่สงบตรงไหนเราก็ไปทําจิตแห่งสงบทาไปเรื่อยๆทําให้เป็นติดมันเป็นนิ ส, สัย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 ผมไม่ได้ประมาทในความนึกของท่านมหานะท่านก็เป็นมหาสารประโยค์แล้วมีความทางด้านธรรมะมามากแล้วแต่ถ้าว่าความรู้เหล่านี้ไม่ช่วยท่านได้เลยไม่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเลยถ้าจิตของท่านยังไม่สงบในในเบื้องตอนนี้อยากจะให้ท่านเก็บธรรมะที่ไว้บนทิ่งก่อนความรู้ที่ท่านได้เรียนมาจากปริยัทั้งหลายให้แขวนไว้ก่อนอามาทาจิตให้สงบ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 มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นอยากจะให้ฝึกทำสมาธิให้ได้การจะทำสมาธิก็ต้องมีมีศีลและมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนทานก็จะช่วยทำให้รักษาศีลได้ง่ายขึ้นสีล ก, ก็จะทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น ม, มีเงินมีทองเหลือใช้ mm hmm. ก็แทนที่จะไปซื้อของฟุง่มเฟือยของไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญทำบุญแบบไหนก็ได้ที่เราถูกใจ <c oughs> เพราะการทำบุญของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันคนบางคนก็ชอบช่วยเหลือคนยากคนจนบางคนก็ชอบช่วยเหลือคนพิการพิการก็สุดแท้แต่บางคนก็ชอบทาบุญกับพระ <c oughs> ทำบุญกับศาสนาก็ได้ทั้งนั้นขอให้ทำาะไรเพ่มันถูก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 ยากจะพูดผิดประเวณีไม่อยากจะพูดปลดมดให้กโหกหมอกโยใครเทนั้นเมื่อกิจในมุความรู้สึกอย่างนี้แล้วมีตั้งอยู่ในศีลมันก็จะก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเมื่อมันไม่ค่อยวุ่นวายเวลาเราทําไหว้พระสวดมนต์ทํารรมะที่มันก็จะง่ายเพราะเราเราได้สร้างฐานไว้แล้วแต่ถ้าเรายังวุ่นวายอยู่กับเงินทองอยู่ยังเสียดายเงินเสียดายทองยังอยากจะได้เงินได้ทองมากขึ้น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 อยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่สนใจอาจจะทําร้ายผู้อื่นก็ได้ทําร้ายชีวิตเขาก็ได้อาจจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาก็ได้อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อืนออนนอ่นก็ได้หรือไปโกหหยอมรวมคนอื่นเขาก็ได้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมานั่งภาวนาวมันภาวนาวไม่ได้จิดมันวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ ไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือนเดือดเนือร้อนใจใจของตอนเองก็จะเดือดร้อนตามไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้การทำจิตให้สงบมันยิ่งยากเหมือนก็ต้องใช้แรงสองเท่าคนที่มีสีเนี้ยใช้เพียงเท่าเดียวก็ทำให้สงบได้แต่คนที่มีความรึมร้อนที่เกิดจากการกาะทำผิดสิ่งผิดธรรมมันก็ยิ่งต้องใช้กำลังมากซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย เพราะคนที่ขนาดใช้กําลังเท่าเดียวก็ยังแสนยากอยู่แล้วแล้วต้องมาทำสองสองเท่าสามเท่านี่จะจะทําไม่ได้เลยแต่คนพวกนี้เขาก็ไม่สนใจในเรื่องเสียงเรื่องธํามนะเพราะเขาบูชาหนึ่งเขาบูชาราบยศแต่ะละเสียงเป็นพระเจ้าเขามีความสุขกับมันชัว่วประเดียวเขาก็เขาก็พอใจแล้วแล้วเขาก็ต้องมาทุกข์กับมันอีกมากมายการกอรเขาก็มองไม่เห็น ดันั้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เนี่ยถูกต้องหมดแล้วตั้งแต่ทานศีลภาวนาสมาธิปัญญาวิมุตติอุกนลนัมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าสี่พระองค์มาสอนครูบาอาจารย์ก็อริยสงฆ์าวโลกีรูปจะมาสอนธรรมะก็สอนแบบเดียวกั น, น, นที่เป็นธรรมะหละักธรรมะเกี่ยวกับด้านจิตใจส่วนธรรมะที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นท่านก็สอนเพื่อให้มีความ มีความประจนันมีงระบเตลิดต่อผู้มีทุกคุณมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีอะไรเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปิดย่อยตามมาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเราเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นแต่ถ้าเราอยู่ตามลาพังเราเราปฏิบัติเพื่อจิตใจเราโดยลาพังก็ทางทานถึงภาวนานเป็นหลัก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 จากการ น, นั่งไปหลายๆชั่วโมองครับคือมันมันมีอยู่สองอย่างอย่างนึ่ก็คือบางทีเรายังไม่มีกําลังพอที่จะไปทําถึงขณะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วลดระดับความรีนแรงลงมาก่อนหรือว่าเราคิดว่าเรามีเราก็ก็ลุยต่อไปโดยโดยใช้หลักสติเป็นหลักคือว่าเวลามันทุกข์อย่าไปมองที่ความทุกข์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 มันมาชอบความทุกข์กับความเจ็บปวดเน่มันเป็นหัดเป็นคนซาดิสหรือซักพักนึงโชาดึกเขาไม่กลัวความเจ็บนะเขาเอาเข็มเขาเอาอะไรมาแทงแทงลื้นแทงอะไรเข้าเขาก็ทําได้อยู่ที่ใจถ้าใจมันสู้กับความเจ็บมันก็อยู่ได้แต่ถ้ามันกลัวมันก็สู้ไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นเองที่สู้กนสู้กันมานเลยจ้ะแล้วสู้ไปสู้มาบาทีเราก็แพ้มัน คือ <s ans> <c oughs> เราเราสู้ไม่ถูกหลักนั้นความจรงการสู้ขอ ง, รง <S <s <ans> <S เราเราไม่ควรที่จะไปนั่งเฉยๆดูความทุกข์นั้นแล้วอยากจะให้มันหายไปนั่นไม่ใช่วิธีสู้วิธีสู้ก็คือไม่ต้องไปสนใจใมันเราควรจะหันมาบริกรรมพุทโธแล้วสวดมนต์ไปในขณะที่มันเจ็บปวดเราอย่าไปสนใจกับความเกลียดปวดลองตั้งสติแล้วสวดมนต์ไปอรหังสัมมาสวาทสาตูสอ ป, ป, ปัตตพโ น, นสวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะ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 ความเจ็บปวดของร่างกายนี่เราเมืช้านี้ก็คอยคุยแต่คนว่าสังเกตดูเวลาเรานั่งเล่นไพ่เนี่ยมันจะเจ็บจะปวดทางไหนมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะเรามีะมาธิอยู่กับกลังเลงดูว่าไพ่ใบต่อไปจะออกม า, ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดอ่ะเพราะมันความเจ็บปวดทางทางกายมันนิดเดียว แต่มันไปปวดที่ใจเพราะถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนี่มัน <c oughs> มันยิ่งมันยิ่งลาคาญความเจ็บปวดเท่าไรมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ใจขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นแล้วเราเนีอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆในขณะที่มันเจ็บร่างกายเราต้องสว น, วนมนต์เรื่บริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวนี่เป็นแนวทางของสมาธิบ่งทีอาการแบบเรานั่งแล้วเราเจ็บนั่งทกินเหมือนร่างกายมันเอง ช่างมันมันจะเป็นไงก็ช่างมันมันเอ็นบ้างคล้ายมันก็เป็นธรรมดาแต่พยายามอย่าไปสนใจพยายามพยายามจับดาลความทุกข์ในใจอย่าไปกังวลการเรื่องความทุกข์ทางร่านกายอย่างนี้ก็ไม่เอาจิตไปจับเป็นตัวเป็นที่เจ็บไม่ต้องไปจับมันอย่ไปจับทีหลังก็มาหาถ้าเราใช้พุทโธเป็นก็พุทโธคําเดียวเนี่ยแหละเอามาเออไปอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันขาดใจไปกับพุทโธเลยเนะแต่ไม่เคยดูปวดขาครับ จ้องมันยู่งเยวะมันก็ยเหมกันก็ได้ถ้าถ้าถ้าเราเป็นใจกล้าที่จะจ้องมันอยู่บางคนจ้องแล้วอยากจะให้มันหายยิ่งอยากมันก็ยิ่งทุกข์ใจขึ้นมาใหญ่ถ้าเราจ้องเราดูเฉยเฉยไม่มีอคติกับมันไม่ได้อยากเรียกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นหนึ่งท่ตายคิดอย่างนี้ใช่คือมันมีหลายหลายวิธีไงบางคนก็ใช้ดูดูความเจ็บนั้นดูเป็นอารมณ์ไปเลยก็ได้ดูแล้วไม่ไม่มีไม่มีอารมณ์รักชังกับมัน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 แต่พอกินไปทักเรื่อยเรื places, forward, <sm priests> ่อยเรื hin, ่อยแต่อไปมันก็ชอบขึ้นมาเองนะกินจนจําเจเมื่อก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยฉันทุกข้าวเหนียวข้าวอาหารทางอีสานพอไปอีเทื่อนึงก็ฉันได้พอกลับมาที่ทางนี้ก็คิดถึงอาหารทางอีสานเพียงแค่เขาน้องก็มีปจำทางทานอย่างโก้ขนั่งขัดมาทธิไปเนี่ยสักสามชั่วโมงเขาถ้าตัวมันปวดมากเนี่ยเขาเปลี่ยนขาได้ก็เปลี่ยนได้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปแก้ปัญหา คือเราต้องการแก้ปัญหาคือเราไม่ต้องการที่จะเราต้องการจะปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาให้มันเป็นไปาตามสภาพของมันมันเช่นสมมุติเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอมันก็ต้องเจ็บป่วเราก็ทนได้ถ้ามันไม่มีอะไรที่ส่วนใหญ่เราไม่อยากจะทนความไม่อยากจะทนนี่แหะคือตัวตัวกิเลสเราต้องดับไปตัวไม่อยากจะทนนี้ให้ได้ด้วยการปล่อยให้มันเป็นไปพิจนาว่าร่างกายก็เป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่านปืนท่านเนื้ มันอยู่ขอามันได้ดไมันไม่เดือดร้อน่ะที่เดือดร้อนไม่ใช่ร่างกายที่เดือดร้อนคือใจคือกิเลสของเราที่อยู่ในใจตัวที่ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ต้องการความความเจ็บปวดนี้ใช่ไหมว่าทำความเข้าใจกับมันได้ไหมฮะว่ามันเป็นสร้างศพเราเราแยกออกจากตัวมัวนแยกสสกับศพออกมาอย่าเทียบก็ดูกระดูกไก่ที่เขาไปต้มใน ในในหม้อมันไม่เห็นเดือดร้อนอะไรกระดูกกายกระดูของเรามันก็เหมือนกันมันก็เป็นท่อนแข็งแข็งท่อนหนึ่งเท่นั้นมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเองมันอาจจะเป็นสื่อส่งความรู้สึกมาให้ใจรับรู้เท่านั้นเองแต่ตัวมันเองมันไม่เดือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนก็คือกิเลสของใจที่มันอยู่ในใจเราเท่าั้นเราต้องแก้ตัวเดือดร้อนนี้ให้ได้ด้วยการไม่ไม่ไม่ต้องไปทําตามความอยากของเรามีบางทีบางต้นข้าง ใหม่ๆมันอาจจะทนไม่ได้พิจารณาไม่ได้ก็ลองอาศัยการบริกรรมไปก่อนเพื่อสร้างสร้างกำลังให้มันมีกำลังใจพอรู้แล้เอ่าโอ้ไอตัวความทุกข์ในใจนี้มันดับได้ขั้นต่อไปเราถึงอาจจะใช้ทางด้านปัญญาโดยเผชิญมองมันอย่างที่โยมบอกพิจารณาดูเลยมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงนั้นมันเจ็บจริงหรือเปล่าลดเราไปว่ามันเจ็บเองตัวมันว่ามันเจ็บหรือเปล่าลองพิจารณาถามดูเราจะรู้ว่ามันมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันสัต์แต่ว่า ไอเราต่างหาที่ไปให้คุณค่าราคากับมันใช่ไหมสังของเหล่านี้มันก็เป็นแค่กระดาษท่านเองถ้าเป็นกระดาษที่มีเลขหนึ่งพันขึ้นมามันกลายเป็นของมีค่าขึ้นมามันก็เป็นกระดาษเหมือนกันนะอันนี้มันกระดาษไม่หนากว่าใหญ่กว่าไม่กลับไม่มีคุณค่าเพราะเราไม่ได้ไปให้คุณค่ากับมันใช่เราไปเป็ น, ปนผู้ไปให้ค่ากับมันแล้วก็ไปยึดไปติดกับมัน พอกระดาษขนาดพันุ์นั้นมันหลุดจากมือไปนั้นกายก็เสียววากไปเลยใช่ไหมการที่จะสู้กับวทุวิทนานั้ถ้าเกิดกำลังจิตที่เราฝึกมาดีเนี่ยมันกําลังแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะก็จะเล่าวางตรงนี้ได้มากขึ้นมันก็จะเป็นฐานของปัญญาได้ตอนต้นก็อาศัยสร้างฐานสมาธิก่อนให้จิตมันแน่นมันมันมีกําลังแล้วต่อไปเราก็สามารถเผชิญกับเผชิญกับความจริงของเวิทยานั้นๆมองมันโดยโดยไม่ไม่หวั่นไหวกับมัน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 ถ้าใจไม่ชอบเลยแต่ถ้าใจเราเฉยๆไม่ต้องอาบน้ําก็ได้มันจะมันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปเดี๋ยวมันก็ถ้าใจเราไม่ไปวุ่นวายกับมันมันก็ไม่เดืร้อนอะไรก็อาบน้าเพียงแค่ครั้งวันละครั้งก็พอถึงเวลาอาบก็อาบถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องไปอาบมันก็ปล่อยมันไปไม่เดือดร้อนอะไรใจมันเป็นท่ามีวัดใจเป็นเป็นตัวสําคัญเราจึงต้องมาดูแลใจกัน ใจของเรามันมีตัวที่ไปสร้างปัญหาก็คือตัวกิเลสปัญหานี่เองแต่เราไม่เห็นโทษของมันเราเป็นเพื่อนกับมันเราเป็นสาหายกับมันมันชวนให้เราโลภแล้วก็โลภตามมันชวนให้เราโกรธแล้วก็โกรธตามมันชวนให้เราหลงแล้วก็หลงตามมันเราจึงต้องร้องห่มร้องไห้เราโศกเสียใจเพราะสามตัวนี้มันมามันมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลา เรารู้ไม่ทันเพราะเราขาดปัญญาเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่มีสมาธิมันต้องอาศัยทั้งสมาธิถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้ามีปัญญามีสมาธิก็ต้องมีสิ่มีทางที่มานี้มาถูกทางแล้วแต่ว่าต้องต้องเพิ่มต้องเพิ่มการปฏิบัติให้สูงขึ้นไปทางก็มีแล้วสิ่ก็พอจะมีแล้วทีนี้ก็ภาวนาบ้าง อย่างไรวันละสองครั้งเช้าขึ้นมาก่อนจะทําอะไรก็เอาสักชั่วโมงหนึ่งไหว้พระสมมูลนั่งทําสมาธิก่อนนอนก็เอ า, อ ส, เอาอสักชั่วโมงหนึ่งส่วนตอนกลางวันถ้ามีเวลาว่างไม่รู้จะทําอะไรก็เอาภาวนาเวลาไหนอยู่ในรถนั่งรถไปเวลารถมันติดถ้าเราไม่ได้ขับรถเราก็นั่งภาวนาไปก็ได้ ใครที่ยามานั่งโบนนั่งจ้องดูรถเมล์มันจะขยับไปสักทีคอดูนาฬิกาคอยคิดถึงเวลาคนนั้นจะนัดกับเราเราจะไปนัดไปทาง น, นัดหรือไม่มังวุ่นวายใจเราเปล่าแต่มันเรามักจะเผลอเพราะจิตใจของเรามันผูกพันกับเรื่องราวต่างๆจนปล่อยวางไม่ได้เพราะพอออกจากบ้านไปปับ๊บมันก็ติดไปกับเรื่องราวต่างๆจนกว่าจะกลับมาบ้านบางทีกลับมาบ้านแล้วก็ยังเอาเรื่องราวจิตใจกลับมาแบกมาหาม เราไม่นอนไม่หลับก็มีแต่เราต้องฝึกทำสมาธิเพื่อจะทจําจิตให้มันว่างบางอย่าปล่อยให้มันลกลุงนังในจิตใจของเราทะไรอยู่ตรงไหนก็ให้มันจบตรงนั้นทํางานที่ บ, บริษัทก็ให้มันจบที่บริษัทอย่าเอากลับมาบ้านเราไม่ได้ให้เงินเดือนเราก็ทุกคนทำภาวนาตัง้งเช้าเย็นเช้าเย็นเวลาออกไปข้างนอก ไปเผชิญปัญหาต่างนี่มันก็เกิดสมุนมีฟินเพื่อกันเ<ด>ชื้อโลกไปบ้างใช่ไหมมีความมีเห็นมีผลมีความอะไรไม่ทําให้วู่ว่าไม่เป็นอารมณ์มากแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้ผลแล้วมันจะเริ่มจะเริ่มเห็นประโยชน์แล้วมันจะเริ่มเห็นโทษของในเรื่องราวที่เราไปทําทุกวันเนี่ยทําเพื่อไล่ฐานนีทำเพื่อวความหลงงานทําเพื่อความวุ่นวาย แล้วมันจะเริ่มเห็นเห็นความวุ่นวายของของชีวิตของคาราวาที่เขาที่ในในในในพระไตรปิฎดกดเวลาคนที่เขาออกบวชเขามักจะพูดว่าชีวิตคาราวานนี่มันช่างวุ่นวายหนอสแสดงว่าจิตของเขาเห็นความสงบแนละ้วไม่มีความสงบในจิตแล้วมันจะเห็นเรื่องราวต่างๆภายนอกน่มีแต่ความวุ่นวายเพราะมันมาักมันมารบกวนจิตใจ จิตใจของเราที่สงบก็เหมือนกับน้ําที่มันนิ่งแล้วเวลาเรื่องราวเข้ามาก็เหมือนคนมาตักน้ํามาแขว่งมากวนน้ําน้ํามันก็ขุ่นน้ํามันก็เป็นคลื่นมันก็วุ่นวายก็ทําไปนะทำไปเรื่อยๆถ้าท้อแท้บางที อยากได้กำลังใจงเราทำมีกำลังใจที่เราสู้กันต่อไปบาทีก็สู้มันได้ใช่บ้างแพ้บ้างก็ต้องไปปฏิบัติเนี่ยคือหยุดสามวันแทนที้จะไปเที่ยวก็ไปปฏิบัติหยุดสามวันหยุดห้าวันอะไรอย่างเงี้ยยามเข้าวัดอยู่เรื่อยๆแต่วัดอยู่บ่อยๆวัดปฏิบัติเนี่ยว่าที่เราต้อไปแล้วเราสามารถปฏิบัติได้กอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกบ า, บางทีไปวัดแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกของวัด ไปช่วยทํางานทําการทําอะไรแล้วก็ไม่ในภาวนามันก็เป็นบุญเนี่ยแต่มันมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนกับเราไปภาวนาหรือบางทีจิตใจของเรามันอ่อนไหวง่ายพอไปเจอคนนี้คนคนี้ขอร้องหน่อยก็ขอให้ช่วยกับช่วยช่วยก็เลยไปติดพันกับการทํางานคือเมื่อก่อนทํางานที่ที่ที่ททงนอกวัด ยันนี้พอไปอยู่วัดก็ไปทํางานในวัดอีกมันก็ยังเป็นงานอยู่่ะมันก็ยังไม่สงบนัเวลาเราไปวัดเราต้องคิยค่เหมือนกับว่าตั้งตั้งกรอบตั้งเป้าไว้ว่าเราไปเพื่ออะไรแล้วใครจะมาชวนให้เราไปทําอย่ะไรเราก็ต้องปฏิเสธต้องมีความหนักแน่นนอกจากว่ามันเป็นกรณีจําเป็นบางครัง้งบางคราวอะไรนี้มีมีเหตุมีผลก็ไปอย่าง ถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาทำได้ก่อนเขาทำไปคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปเขาเขายังทำได้ไหมเกายังอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ก็ก็ไม่จำเป็นที่เรา จ, จะต้องไปทำเราขอให้เราทำงานของเราให้เสร็จก่อนเถอะเวลาเสร็จงานของเราแล้วที่จะให้ช่วยคนอื่นทำมากน้อยแค่ไหนเราก็ยินดีไม่เดือดร้อน อเอย่าเราทำยังอุทิศบุญกระมแต่ผู้ร่วรับไปแล้วนะคะเราอทิดเลยโดยทาจิตเาวกับการสวดน้ำเขาได้รับผลดังนั้ น, น, นะะเหมือนกันความจริงไม่ต้องใช้น้ําอำน้ํามันไม่ได้เป็นตัวตัวบุญตัวบุญคือจิตของเราเนะี่ะยแต่แต่ว่าเป็นการสอนคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกระแสจิตก็เลยเอากระแสน้ํามาเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ น, นั่นเองน้ํามันก็ยังเป็นน้ำอยู่นั่นแหลมันไม่ได้เป็นบุญดีน้ำ แล้วเราเสร็จแล้วก็ไปเทให้ต้นไม้ต้นไม้ได้น้ำได้ผู้เจรนสงยย่งไส่ที่อ่าผู้ที่จะมาเป็นพระโคดสสเนี่ยในยังไม่ถือยัาไม่ถือว่าบรรลุธรรมไม่ยังไม่ยังไม่เป็นยังเป็นไม่ไม่ถือายเป็นบุติชดายั<ต>างเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมเป็นผู้ที่บำเพท่าบารมีทั้งสิบนี่ตั้งแต่ทานสีลเนยธรรมะ เมตตาปัญญาอุเบกขาอธิษฐานสัจจะวิริยะขันติเนี่ยเราียนสิยังมีกิเลสเต็มหัวใจยังไม่ได้สัมผัสกั บ, ก, บกับโลกุต ธ, ธรรมอาจจะได้อาจจะได้ฌ า, านได้สมาธิ จากการบําเพ็ญนี้แต่ยังแต่ยังไม่เข้าถึงใจลักยังไม่รู้จักใจลักอะไรอ่างไรถึงจะได้รับรัตุทธิ์และที่เปรียคอนแล้วก็ตอย่างว่าพุทธเจ้าก่อนยศทะรุนี้ท่านก็ไม่ไม่รู้จักใจลักท่านไม่รู้จักวิปัสสนาท่านรู้ท่านมีฌานท่านมีทานมีอะไรอยู่แต่จิตของท่านยังลุ่มหลงอยู่กับอัตตาตัวตนอยู่คำว่านัตตานี้เป็นคําคำพาะงของ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 อย่นี้มันก็จะหลุดพ้นได้เข้าถึงการโซดาได้โดยง่ายได้มีคนทําทางมีคนบอกบอกคําตอบให้เราแล้วเพียงแต่เราเราทําทําขั้นตอนให้ไปถึงคําตอบนั้นเท่านั้นเองคำตอบอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไปหาคําตอบนั้นให้ทํำยังไงก็ให้เจริญสมาธิกับปัญญาทำเท่านั้นเองก็จะถึงขั้นนั้นได้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าไม่มีคําตอบ มันรู้ว่าคำตอบอยู่ที่ไหนตอนที่ท่านบำเพ็ญท่านไม่รู้ว่าคําตอบที่จะทําให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์นี้อยู่ตรงไห น, นตอนในที่สุดพิจารณาไปหมดก็เหลือลไอตัวนี้ตัวเดียวก็เลยหานมาพิจารณาดูว่ามันมันมันเป็นตัวตวนจริงหรือไม่เราพิจารณาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนนั้นคือพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นสมบัตของพระพุทธเจ้าท่าคือพระผู้ธศาสนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะ บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองหรือว่าถ้าท่านบำเพ็ญมาแล้วเกิดท่านมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วท่านท่านเปลี่ยนใจคือไม่ไม่ไม่ไมไมสวงเป็นเป็นพุทธไม่แสวงพุทธภูมิเพราะหรู้ว่ามันจะเสียเวลามากตอนนี้มีทางแล้วมีคนสอนบอกแล้วก็เลยเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติเช่นหลวงปู่ม่านนี่รู้สึกว่าในเบื้องตอน้นท่านก็เคยเป็น มีจิตปฏิฐานอยู่กับพุทธภูมิแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรจิตของท่านก็มันไปไม่ได้ทั้งที่ก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าจิตนั้นไปถูกติตอยู่กับการสะสมบารมีเช่นทางบารมีเมื่แต่คอยห่วงอย่างอย่างที่เมื่อกี้ไลฟังไปไว่าก็ต้องไปทํางานให้กับคนอื่นเขาแทนที่จะตัดใจไปนั่งภาวนาะก็ทําไม่ได้เพราะจิตใจตะกิตตะขัว ก็เคยบำเพ็ญมาว่าจะต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนทาทานก่อนใช่ไหมพอจะไปตัดช่องน้อยเพื่อตรงนี้มันทําไม่ได้จะไปนั่งปฏิบัติภาวนาโดยลาําพังแล้วปล่อยให้คนอื่นเ้าทํางานในวัดนี่จะทําไม่ได้แต่ถ้ามาพิจารณาแล้วว่าเ อ, อเราทําให้แบบตัวเราก่อนนี่มันดีกว่านะเมื่อเราหลุดแล้วเรามาช่วยเหลือคนอื่นได้ประโยชน์มากกว่าม า, มากกว่าที่เรามาทําช่วยเหลือวัดแบบนี้ เราไปช่วยวัดอย่างมากแล้วก็ไปช่วยได้ในการทํางานเกี่ยวกับทางด้านวัตถุข้าวของต่างๆแต่ในทางดา้านจิตใจนี้เราช่วยใครไม่ได้เลยเพราะเรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อให้เราได้เกิดความรู้เกิดปัญญาเพื่อทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก่อนดีกว่าเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราเอามาละมาสั่งสอนให้กับผู้อื่นผู้อื่นจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เรามาทําสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ใครๆก็ทําได้ เรื่องวัดถูกเข้าของนี่มันใครทําก็ทําได้แต่เรื่องที่จะสอนธรรมะให้กับคนอื่นนี่มันไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําได้ถ้าตอนถ้าคนคนนั้นไม่มีความรู้ในตัวเองสอนไม่ได้สอนยังไงก็สอนไม่ถูกอยู่ดีนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นที่ท่านเคยเต็ดอยู่กับพุทธภูมิท่านก็ลงตัดแล้วท่านตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่ปฏิบัติอยู่คนเดียว เมื่อก่อนนี้ท่านก็มักจะมีบอยขัดรอยวาอยู่กับท่านตลอดเวลาคอยสอนคอยอบรมคอยสงเคาะคนนั้นคนนี้ไปตามธรรมะที่ท่านมีอยู่ขั้นสมาธิที่ท่านมีอย่แล้ท่านปัญญาท่านไม่มีหลังท่านก็เลยไปติดวิเวกอยู่เชียงใหม่ทั้งสิบปีท่านก็เป็นอยู่ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นท่านก็อบรวมสั่งสอนนะฮะก็มีปรากฏครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เรากับ เขาเลก่กล่าวว่าเป็นจานวนมากเข้ามาจากหลวงปู่มั่นดังนั้นมาจากการที่ท่านตัดตัดการผูกติดอยู่กับพุทธภูมิคือทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยลืมลืมถึงการทําประโยชน์สำหรัตนเองถ้าท่านยังทําอย่างนั้นอยู่ท่านก็ไม่ได้บรรลุท่านก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ท่านก็จะได้ทานบา ร, รมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะทําให้ท่านกลายเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตก็ได้ จะเป็นพระประเจกกะหลือเป็นพระอรหันตกัสมาสัมพุทธเจ้าก็สุดแท่แต่ถ้าบรรลุเในพระพุทธเจ้าแล้วไม่สั่งสอนทางก็เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าถ้าเอาสิ่งที่ตนเองรู้มาประกาศสั่งสอนให้กับผู้อื่นก็เป็นพระอรหังต์กัสมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเจ้าชายกิพติฐานท่านก็ตอนต้นก็เกิดจะเป็นพระประเจกกะพุทเจ้าเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นธรรมะที่ยากที่จะให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติตามได้ ก็เกิดความทอพระไทยม่อยากที่จะเอามาประกาศสั่งสอนกลัวคนหนึ่งก็จะหาว่าท่านบ้าสอนให้คนละให้คนตัดแล้วตอนหลังก็มีท้าวมหาพรหมมาลาธนาให้ท่านได้ทรงพิจารณาโปรดสัตว์เพราะว่าคนมีหลายชนิดด้วยกันคนที่ฉลาดที่จะได้รับประโยชน์ก็มีคนโง่เขลาบัญญัติที่จะไม่ได้ประโยชน์ก็มีไม่ได้ไม่ได้มีแบบใดแบบหนึ่งมันเข้ากันไป ผมทรงพิจารณาว่าสัตว์โลกก็มีเป็นเป็นสี่เหลาด้วยกันนั้นพวกบัวสี่เหล่าจึงเลยมีพระมีพระไทยกำลังใจที่จะไปไปปวดโดยที่จะเน้นไปที่พวกฉลาดก่อนบาที่รู้เร็วก็เลยคิดถึงพระอาจารย์สองลูกที่ท่านเคยศึกษาอยู่แต่ก็มาทราบว่าท่านทั้งสองลูกได้มรณาภาพแล้วท่านก็ม่นมาเสียดายเพราะท่านก็ไป ไปเกิดเป็นอยู่บนสวรรค์ทั้นพรหมเป็นหลายหมื่นปีกลับมาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นเลยคิดอย่างนี้ท้าวปัญจวัคคีผู้ที่ได้ติตสารท่านท่านานั้นท่านนั้นได้มีบารมีมีมีสมาธิมีสีพร้อมอยู่แล้วที่จะรับธรรมะของทางได้ท่านก็เลยรุ่งไปที่ภาพเปัญจวัคคีในเรื่องต้น แสดงธรรมพระธรรมจักรขั้งแรกก็มีพระพระอัญญากตนทัญยะสมบุญลูกเป็นพระโสดาบันแสดงอนิจจังว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาคือเช่นเช่นขันห่านร่างกายเวทนาจัญญาสังขารนัญามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเสียดต้องตายไม่ต้องไปยึดไปกมันปล่อยนี้ไปพอปล่อยใจจะสบาย ไม่กลัวความตายต่อไปไม่กลัวความเจ็บต่อไปพร mm hmm. าใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแล้วไปไปไปตกใจไปกลัวกัไม่ทำไมเพราะความหนึ่งไปหลงไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวตนเป็นเราวปินของเราแล้วพอแสดงธรรมอีกครัง้งสองครัง้งก็บรรลุเป็นผ้าอีกั้งห้าลูกแล้วก็ไปบวชพวกนักบวชสำนักอื่นีกไม่นานก็ มีผ้าอาหารปรากฏขึ้นทั้ง 1,250 รูปภายในเวลาประมาณเจ็ดเดือนทั่านึงตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันอาสารหรับยิชาที่แสดงพระธรรมจากจนถึงวันเพนเ็ญเดือนสามมันม 1, ก็เจ็ดเดือนก็มีผ้าอาหาร 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนั้นท่านมุง่งไปที่พวกที่สามารถรับได้รับธรรมะนี้ได้พวาเขามีสีมีสมาธิเท่านั้น พวกนี้เป็นนักบวชอยู่แล้วเห็นแต่ว่าเขามีมีลัทธิต่างกันมีความเชื่อต่างกันแตก่การปฏิบัติพื้นฐานเหมือนกันป ฏ, ปฏิบัติปฏิบัติสีนมปฏิบัติสมาธิเหมือนกันแต่ไม่รู้ปัญญาไม่รู้ว่าจะมีธรรมที่เหนือนกว่านั้นที่จะทําให้จิตหมดทุกอย่างก็คิดว่าถึงขั้นชานก็ถึงว่าเลิศแล้วได้เป็นสวรรค์ชั้นพมนี้ก็ถึงว่าเลิศที่สุดแล้วได้ไปเป็นเท้าหมาพรับผมนะ แต่พะเจ้าบอกว่าทุจริตดูว่าถ้ายังบาปไดยังอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่นี้มันยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังน่าตายอยู่เป็นพอมันก็หมดหมดหมดบุญก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพหมดบุญของเทพก็เลื่อนลงมาเป็นย่งนี้แล้วถ้าไม่มาทำบุญต่อมาทำบาปก็เลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นไปเป็นไปนรกต่อไปดังนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้รู้สึกจะเป็นที่ ที่ตามบุญหรือตามบาปได้แต่เราประกาฏนั้นนี้มันมีทางเลือกสองทางพบอื่นยังไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี้ก็ไม่มีทางเลือกแต่เราจะกินทรรมากินก็ต้องขาดตัดใหญ่ก็ต้องกินจัดน้อยเป็นเป็นอาหารเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญเราไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะทำบุญหรือทำบาปเพราะเขาสวยบุญมีความสุขเขาก็อยู่ในความสุขเงิน ถ้าเป็นพมก็อยู่เหมือนกับอยู่ในฌานอยู่ในควาสมสงบในความนี่ก็ไม่รับรู้เรื่องราวอะต่าง ๆ, ๆ, ๆานีการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละที่และพ่เราเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะจะทำบาปหรือจะทำบุญถ้ามาเกิดในสมัยที่มีศาสนาพก็โชคดีเพราะมีแสงสว่างมีคนคอยชี้บอกว่านี่นี่ผิดนะนี่ถูกนะนจะฟังหรือไม่ฟังก็อยู่ที่เรา ถ้าเรามีบุญเก่าอยู่มีเชื้อของบุญมีปัญญาหลงเหลืออยู่บ้างฟังแล้วก็จะเชื่อจะสามารถแยกแยกได้ก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของนักบ่าเช่นพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับประโยชน์ดีไม่ดีเราอาจจะตัดทุกตัดชาติได้ในในในชีวิตนี้เลยก็ได้ไม่ยากพระเจ้าทรงสแสดงในสติปัฏฐานสูนตรทรงทำนายไว้ว่าถ้าปฏิบัติตามได้นี้อย่างช้าก็แค่เจดปีก็ถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหัานต์ก็ได้เป็นพระอนาคามี ถ้าเป็นพวกที่หัวไวฉลาดก็เจ็ดวันก็บรรลุได้ท่านแสดงเลยนะท่านรับรองเลยแล้วอยู่ที่เราเท่าน้ เรายึดติดอยู่เท่านั้นและเรายังเสียดายเสียดายลูกเสียดายสมบตพยายามพิจารณาความแก่ความตายบ่อยๆใหเสียดายเลยเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายจากเราแล้วอยู่กันก็เพื่อมาร่วมบุญร่วมคุสงกันเท่านั้นแหละทุกอางเขาไม่มีหรอเพราะเขาเหมือนกับเรานอนหลับฝันหวานฝันดีเนี่ย ขณะนั้นเราก็มีความสดอยู่เราก็ไม่รู้จักแม่เนภาแต่เขามาฟังธรรมอย่างยงก็บังพวกใช่ไหมางพางพวกพวกนี้อาจจะมีอุปนิสัยเดิมอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ไ ด, ได้ไปเจอพระอริยะบุคคลที่สามารถติดต่อข่าวได้อาจารย์ท่านบเดาสวยุ่ถ้าก็สวยุ่เรื่อก็ไม่ได้ทำบาปก็เป็นเดาไปมดบุญได้ไงบุญมันน้ามันบุญมันน้ามัน ใไปเดียมันก็หมดแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปบุญก็จะหมดไปใช่ไหมตัวบาปมันมีอยู่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลเลยต้องนอนมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนจเหมือนเคยได้ยินว่าถ้าธรรมดาระลึกบุญเก่าที่เคยทําก็เหมือนตอบบุญไปเรื่อยๆใช่ไหมจ้าคะแต่ไม่ได้ไม่ต้องทําด้วยกรรมเราเลิกแล้วก็ต้องทําที่ที่จะทําบุญมันไม่ได้อยู่ที่สวรรค์มันต้องมาทําที่ที่ที่บนโลกนี้อืมเกิดเป็นมนุษย์ที่ โอกาสเดียวแล้วเ ร, <c oughs> เราอยากจะทําบุญด้วยการชังเทศสังธรรมกันนั้นเองเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรรดพระมารดาด้วยการสแสดงธรรมาให้ฟังแล้วก็เข้าใจในหลักของไตรลักษณ์ก็สามารถที่จะตัดได้เพราะเทวดาก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสดกับพระเหมือนกันเพียงแต่เป็นเป็นรูปทิพยเสียงคิพย์ก็ให้เขาละสิ่งอย่างนั้นเพราะเป็นเทวดาอย่หน่อยก็ไม่มีรูปทิพยได้เสิ่แล้ะพอมาบวชบุญมันก็รูปทิพยเสียงคิพยิ่นทิพย์ก็หมดไป ก็ต้องมาเกิดมามาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดพวกลูกอยากเสียงอยากอย่าง น, นี้เป็นต้นถ้าพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักเห็นตายรักก็อย่าไปยินดีถ้าไม่ยินดีแล้วก็ไม่เสียใจไม่ทุกข์กับมันมันจะมามันจะไปก็ไม่เบื่อเลย เรียนที่เยเรีย น, า น, นา อ, อาจารย์นะฮะพอฟัมอาจารย์เรจกลับไปออกคึก ม, มากมีกำลังใจแล้วั น, นไปจะขอไม่กลับไม่เป็นเด็กแล้ว <c oughs> ถึง ต, องต้องต้องฟังเทศอยู่เรื่อยอย่งนี้ก <c oughs> าเลกาเลนัธ <c oughs> รรมตะวาันนามก็แบบเียวกัอยู่กครูบาอาจารย์ก็แบบเดียวกัน <c oughs> ท่านจะเรียกประชุมทีละสาสีวันท่านจะเรียกประชุมสงทีพอฟังเทศของท่านเนี่ยมีกำลังใจกลับไปบางทีกลับไปนภาวนาถึงสว่างเลยเดินจนคมได้ <c oughs> มันก็ท่านอัดฉีดท่านเราเต็มที่แล้วแต่พอสักสี่าวันไปมันก็ค่อยๆค่อยๆห่าไปเรื่อยที่เลืมันก็เข้ามาแต่ผเดืนนึมาหาท่านอาจารย์ครั้งนึ่งเนี่ยแต่วันเราชาดด่างเนี่ยเราชบดด่างนี่เรื ชีวิตคาว่ามันก็มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้ว ย, ย, ววยแล้วใจเรายังอ่อนใจใจเรายังมันไม่แข็งพอที่จะต้านมันได้แต่ก็ยังดีที่ยังมีกําลังที่พอที่จะปลีกออกมาได้เดือนละครั้งนี้ก็ยังถือว่ายังดีก็ไม่มีเลยต้องขอปีหนึ่งจะเข้าไหวครั้งก็ชายบาทครั้งวันเกิดวันปีใหม่ แต่พวกเรานี่นอกจากมาวัดอย่างนี้แล้วเรายังทําบุญอยู่เป็นปกติใช่ไหมใช่ทุกอทิตก็จะไปวัดไปวัดไปไหนไปใส่บาตรทุกอาทิตย์มีสิ่งที่ต้องทําก็คือหลังจากได้ยินได้ฟังแล้วต้องนําไปปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ต่อเนีื่องเพราะการปฏิบัติตอนนี้หลาจะเป็นอาจารย์ของเราต่อไปเมื่อเราปฏิบัติเป็จแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต่อไปเพราะว่าธรรมมันจะผุดขึ้นมาในใจของเราเอง ในเบื้องต้นต้องอางใส่ธรรมของผู้อื่นเป็นตัวชุดกระชากล่างเราไปก่อนเมื่อเราเริ่มพิจารณาธรรมไปจิตปัญญามันเริ่มหมุนละเขาเีากงวัฏจักธรรมาจักเริ่มหมุนละเริ่มคิดไปในแนงทางที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดนะคิดไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปมันก็จะคิดไปในแนวนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นมากขึ้นไปโดยมากกว่าที่เราได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นธรรมะที่เราได้ยินจาก ครูบาอาจารย์จะพูดเจ้านี้ท่านเปรียบเทียบเมือนกับใบไม้ในกํา ม, มือแต่ธรรมะที่มันจะปรากฏขึ้นในจิตในใจของเรานี้เป็นใบไม้ในปาน่าในในเขานี่มันจะมีความรู้อะไรผุดขึ้นมามากๆแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเอามาพูดหรือเออธิบายให้กับคนอื่นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์สําหรับผู้ผู้อื่นก็เพียงแต่สอนวิธีให้เขาคิดเป็นทนั้สอนวิธีให้เขาปฏิบัติเป็น และเขาปฏิบัติเป็นคิดเป็นแล้วเขาก็จะสามารถสร้างความรู้ต่างๆขึ้นมาให้กับจิตใจของเขาได้เหมือนครูมั่นท่านอยู่ในป่าในเขาคนเดียวท่านท่านไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์มีคนถามว่าเวลาท่านมีปัญหาท่านจะไปถามใครเหมือนครูมั่นท่านตอบว่าพอผมไม่ได้ประมาณนะแต่ผมฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจท่านพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่นเอง การพิจารณาธรรมะไปมันก็เป็นเป็นชนวนไงเราถามมันมีเหตุมีผลมีปัญหาเราก็หาคําตอบในนั้นน่ะมันก็มีคําถามอยู่ตรงไหนคํ า, อาคตอบก็จะตามมาเองขุดขึ้นมาขุดขึ้นมารับกันไปรักันไปเจนาร์มันไ ป, นนไปถ้ามันอยู่ในกรอบของตายลักแนละ้วมันจะจะไม่ไม่ไม่หลงทางเพื่อนอาจารย์เขาชอบคิดให้เองพยายามเกิดขึ้นเองมันถามเองตอบเอ ง, องใช่เอไม่ต้องให้ผู้อาญา อถ้าถ้ามันเส้นขั้นที่มันหมุนเองอ่ะถ้ามุนเองถ้าบางบางถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นบางทีมันมีปัญหายัางตอบไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนพอนาไปอีกปฏิบัติไปอีกตอนย่อห้างจิตมันลงลึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะเข้าใจขึ้นไปเองถ้าเรายึดแนวที่ท่านสอนไว้ให้ให้คิดคือให้มันยึดอยู่ในแนวใจรักไว้แล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ท่านอานี้เคยได้ยินว่าครูบาอาจารย์เวลาภาวนาไปเนี่ยบานทีครูบาอาจารย์เห็นหลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่ที่ท่านหมรสภาพไปแล้วขุดขึ้นมาแต่ในจิตก็มีเพื่อที่จะมาบอกอุบายธรรมในต่างๆท่านอาจารเคยเจอแบบนี้นหครับก็ในหนังสือปฏิบัติธหลวงปูง่หลวงตาท่านก็นเขียนเกี่ยวกับคุณแม่ชี้แก้วคือท่านบอกท่านจะไปเยี่ยมหลวงปูป่มั่นแล้วเพราะได้ข่าวว่าท่านไม่ค่อยสบายแต่ก็เตรียมตัวต้องหลายครั้งก็ไม่ได้ไปทักที จนในที่สุดคืนสุดท้ายจะไปพรุ่งนี้เช้าอย่างเนี้หลวงปู่ท่านก็มาเข้าในสมาธิของค mm ุณแชีบอกว่าไปก็ไม่เจอตัวเราแล้วเราตายแล้ว mm hmm. ท่านรู้ก่อนที่คนอื่นจะรู้ mm hmm. คือคนในหมู่บ้านนะั้นไม่ไม่ทราบข่าวว่าหลวงปู่ม่านได้มารณะภาพไปแล้วเมื่อตอนตีหนึ่งตีสองตอนกลางคืน mm hmm. แต่ท่านนั่งสมาธิตอนนั้นพอดีห mm hmm. ลวงปู่ท่านก็มาเข้าในสมาธิพอดี mm hmm. พอตื่นขึ้นมาท่านก็นั่งร้องผมร้องไห้คนเดียวไม่ทีด้วยการก็ถามร้องไห้เรื่องอะไร<ม>ท่านก็บอกว่าเมื่อคืนมีหนุ่มปู่มาบอกว่าท่านมารับขาวด้วยแต่พอสายๆคนจากที่อำเภอก็เอาข่าวมาบอกดังน<ม>เรื่องของขิดนี้มันก็มันลึกรับแบบบางทีมันไม่มันไม่ได้อยู่ในสกายจีดดกดังน<ม>ั้นบางทีเราฟัง เราก็อย่าไปประมาบางคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วถ้าไม่มีอะไรในพระไตรปิฎกก็ถือว่าเพ้อเจ้อไปก็ไม่ถูกอย่างมอนราชวงศ์ทึกในที่วิพากษ์วิจารณ์หลวงหลวงเสือที่หลงตาเขียนเนี่ยนั่นเป็นปริยัติเนึ่ยเขาอ่านจบพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ก่อยปฏิบัติ mm hmm. พอาะเสียงที่โอเจ้าสอนก็เหมือนใบไม้ในกำมือนี่เอง mm hmm. มีมากม่ยแต่สิ่งที่มันนอกเหนือจากนั้นแต่นไม่จำเป็นที่จะให้พวกเราอกมาแบกมาหาก็ไม่สอนให้เสียเวลาให้พวกเราปฏิบัติไปแล้วไปเจอเองดีกว่าให้ไปเห็นเองดีกว่าจะได้ไม่งไมสงสยัยผู้ตอนนี้ก็จะสงสัยหาว่างงไง <c oughs> หาว่าหลอกให้งงไงไปหลอกปาก <c oughs> อย่างตอนนี้เราปฏิบัติแล้วก็ไม่สนใจเรื่องเวียนว่าตายเกิดเรื่องภพาชาติเน่นะ เราสนใจอยู่ที่จิตตัวเดียวทําไงให้จิตมันไม่หวัว่นไหวไม่ให้มันทุกข์แค่นั้นเองสนใจแค่นั้นน่ะเรื่องภบหน้าชาแนามีจริงหรือเปล่าไม่ใช่สนใจนี้ก็มีไม่มีมันก็ไม่เกี่ยวเรานะไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันความวุ่นวายใจใทํางานไม่ให้มันวุ่นวายใจให้ได้ทาไมเราต้องมีความสุขต่อเมื่อเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทําไมเราไม่มีความสุขโดยที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยคือปริศนาที่เราถามตัวเราเอง ทำไมต้องได้สิงนั้นถึงจะมีความสุขพอได้มาสักคั้ก็เบื่อก็อยากจะได้สิ่งใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เราอยากจะถามตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเลยหรือที่เราไม่ต้องมีไม่ได้เลยก็พอดีได้อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยท่านก็ บ, บอกว่ามีก็อ ย, อยู่ในใจเรานี่แหละความสงบทำให้มันสงบแล้วมันไม่มันไม่ต้องะมันก็ต้องมีอะไร รู้แล้วนะอยู่ที่ไหนเมื่อสองวันก่อนก็มีคนมาเล่าให้ฟังบกว่าเดี๋ยวนี้เขาเจอธรรมะแล้วเขารู้เราก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเขามาอยู่ที่ตัวเราเนี่แหละเมื่อก่อนนี้เขาวุ่นวายกับเรื่องนู้นเรื่องนี้แรื่อนี้เดีนี้เขาเฉยแล้วเขาปล่อยวาง บางเรื่องเราก็วางอยู่ที่ครื่งวางคือวังยากใช่เพราะว่ามันความถูกพันมันมีมากน้อยต่างกันพยายามมากแต่ว่าบางทีเราก็คิดว่าเราปล่อยวางหมดแล้วแต่พอไปเจออะไรจริงๆเข้ามันสะเทือนใจขึ้นมาได้เหมือนกันงั้นก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าประมาทคิดว่าแต่ไปคิดว่าเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วปัญหาอื่นเรายังจะเราเราจะแก้ได้มันไม่แน่ก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อย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 เ้าเกิดมาแล้วก็มีสมมุติมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงแต่เราลงติดกับสมมุติเป็นเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นละครฝรั่งอย่างเช็คสเปียร์เขยังบอกว่าโลกนี้เป็นเหมือนกับโรงเวทีทโรงใหญ่ฝรั่งก็เขาก็มีปัญญา ม, มันกันแล้วก็มองเห็นกันาทงก็เ อ, อทำเด็กเราต้องทำหน้าที่ของเราก็ทำไป ทำให้สมบูรณ์แต่ไม่ได้ไปแบกไม่ได้ไปแบกเขามีหน้าที่ส่งส่งเสียให้เขาให้ได้เรียนได้ศึกษาสอนให้เขารู้จักผิดถูกดีชั่วแล้วก็สอนหมดแล้วทำหมดแล้วนี่เขาจะดิ้นรนแฮกแฮกข้อแขกโกงไปหาหานรกก็มันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ใช่ไหมเราไปเฝ้าเขาอยู่ตลอดเวลาได้ไหมเราต้องจับเขาผูกกับตัวเราไว้ตลอดี่24ชั่วโมงใช่ไหม เราทำหน้าที่ของเราให้ให้เต็มที่ก็แล้วกันมีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปแต่เราต้องยอมรับความจริงของเขาแล้วเราจะได้สบายใจทนารย์มาถึงฝักทุดนี้ไปทราบท่านอ า, า, า่ายได้ยพอดีเมื่อันก่อนมีมีคนเอามาให้ท่านดิกบกว่าถ้าท่ า, ทานอาจารย์ ราอีกก็ท่านใจวันนี้ท่านเล่าเรื่องอะไรพระเตยปิดกต่างขาสีติมาสารมาถวายท่านทุ่ปร ะ, ะาาการจริงๆธรมะทราบวมาจากไหนเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ศึกษาจากหนังสือเท่าไหร่ธรรมะส่วนหนึ่งก็ได้จากได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือจะอ่านจากหนังสือที่เขาคัดมาเองแต่ส่วนใหญ่จะไม่เคยไปอ่านหนังสือที่เป็นตำรา เรอ่านไม่ได้เห็นว่ามันมันมันมันเรื่องมันเยอะเกินมันบทีไม่ตรงกับประเด็นที่เราต้องการที่จะรู้แต่ถ้าอ่านจากหนังสือของครูบาอาจารย์ของภาคปฏิบัติเนี่ท่านจะพูดแต่ประเด็นที่มันมันปัจจุบันที่เกี่ยวเรื่องกับเราแล้วก็ยกเรื่องเจพระไตยเปี่ยมกมาเสริมมาประกอบแต่ถ้าเราไปอ่านอ่านหนังสือพระไตยเปี่ดกหรืออะไรทั้งเล่นมันมันเยอะไปหมดอ่ะมันมีเรื่องนึงเรื่องนั้นมา แล้วบางทีมันจะทําให้เราทอ้อโอ้ยต้องเรียนขนาดนี้ไหมไม่ต้องนะครับหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งที่สอนเจาะไปที่จุดสําคัญสําคั ญ, คญก็หนังสือของครูบาอาจารย์พรยไ่รปิฎกนี่ก็ไม่ได้เล่นอยไม่ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นสิ่งที่สําคัญมีไว้ก็ดีกแดีแต่มันเต็มคล้ายๆเหมือนกับตู้ยา<อ> oh. ตู้ยานี่มันมียาหลักายากสา ร, รพัดชนิดเลยเวลาเราปวดหัวเราเข้าไปหายา อันชนี่ไหนจะกินนี่โมทีตายเขาหายยาหาไม่เจอแต่ถ้าไปหาหมอนี่ปั๊หมอเอ้าปวดหัวหมอจ่ายาจุเลยเขาบอกว่าก่อนจะปฏิบัติท่าจะต้องศึกษาผู้ตาจดกให้รู้แย่งก่อนอะไรอย่างนี้แล้วถึงเขาบอกถึงจะเริ่มปฏิบัติอันนี้นะจัดการนี้เลได้ถ้าเขาเข้าใจว่าผู้ตายผู้ตายจีโดกนี่ถึงแม้จะมีมาก หมายเพียงไรก็มีเนื้อหาสาระแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเอง<ม>คือเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์เท่านั้นเองเพราะถ้าถ้าเขาอ่านถ้าอารยศาสตร์ ศ, รรศรรีลเข้าใจก็พอแล้วนะ่หัวใจของาศาสนาก็อยู่ตรงนั้นเองแต่เรื่องอื่นก็เป็นองค์ประกอบรทุเจ้าไปสอนคนนั้นที่นั้นสอนเรื่องนี้ไปสอนที่โน่นสอนเรื่องนี้มันก็สอนมาที่อรารยศาสตร์ศรีลในแง่ต่างๆสอนเรื่องทานบ้างสอนเรื่องศีลบ้างสอนเรื่องสมาธิบ้างเรื่องปัญญาบ้าง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 ลูกนี่เกิดมาไม่ต้องไปโรงเรียนก็รู้รู้จาักการพูดได้ใช่ไหมไม่ต้องไปเรียนการพูดว่าพูดภาษาไทยพูดอย่างไรฟังพ่อแม่พูดก็หัดพูดได้อยู่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พาปฏิบัติได้พาพาบินาบาบพาอะไรทำอะไรสอนนั่งสมาธิสอนทำอะไรก็เรียนไปกับท่านอย่างนี้มันมันง่ายกว่าเพราะว่ามันมันตรงเรื่องถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกนี่มันมัน มันเรื่องมันเยอะคือ ท, ที่มันเยอะเพราะว่าเขาพยายามที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ส่งแสดงทำไวสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่สามเรื่องคือทานสิงภาวนาที่เป็นเรื่องหลักของการดับทุกข์แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมซึ่นความรับผิดชอบต่อต่อ ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรวิธีปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือธรรมะเสริมที่จะทําให้การปฏิบัติทานสีธรรมนานของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นดีางานแต่ถ้าเราศึกษายิ่งแล้วตัวหลักๆ ก, ก็คือมรรคแนี่เองมรรคแแล้วตัวปัญหาก็คือตัวอริยสัจคือทุกอริยสัจกับสมุทยัยสมุทยัยสัจจะนี่เป็นตัวปัญหาแล้วตัวที่จะแก้ก็คือมรรคแผลก็คือนิโรธ การดับทุกข์ก็ อ, อยู่ตรงนี้ที่ถ้าอยากจะไปเดิน อ, อ้อมไปก่อน <c oughs> ก็ได้ไปสุดกาก็ตายไปโดยสักสิบปีก็ได้แต่ระวังเนียมันต้องเยอะนะอ่านเล่มนี้แล้วเดี๋ยวพอไปอ่านเล่มมันก็ลืมนะครับแล้วถ้ามาจดมาจําไม่ได้นะการการการปฏิการสื่อกา ร, รกาจริงไม่ต้องการจดจําต้องการให้จับประเด็นให้ได้จำประเด็นแล้วให้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องเอามา ทำอย่างไรมันก็การศึกษาแผนที่ให้รู้ทางนั้นเองยิ่งศึกษามากแล้วไม่เดินออกเดินทาง้ทีมันก็ไปไม่ถึงไหนอยู่ดีดูแผนที่โลกเครือคืองู้ศึกษาไปปฏิบัติไปดีกว่าดูดูแผนที่เอาแค่ช่วงแรกก่อนจากถนนนี้ไปอยู่ถ น, นนนี้พอถึงอย่างนั้นแล้วค่อยมากลางแผนที่ดูทีก็ได้ถึงตรงนี้แล้วจะไปทางไหนต่ออย่างนั้นจะดีกว่า ดีกว่ารู้ว่าไปทางนี้แล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปแต่ยังไม่ได้ไปสักทีพอไปแล้วก็ลืมเเมื่อก่อนนี้เราเราจําได้เราต้องเลี้ยวซ้ายเนี่ยเดี๋ยวพปทางนี้ซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวต้องกลับไปค้นหาหนังสือคีนะที่ปฏิบัติศึกษากับคนที่เขาเขามีประสบการณ์แล้วดีกว่าดีบ่าอนจากหนังสือแต่ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยหนังสือเปัก ถ, mm. ถ้ายังมีคนที่สามารถสอนเราได้อันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะเราสงสัยอะไรถามท่านก็จะสามารถที่จะแก้แก้แก้ความสงสัยของเราได้ท่านครับบางทีเื่อนคนหนึ่งเขาชองศึกษาคณะศาสนาเต๋าเที่เขาบอกว่าพระไตรศิลป์นี้เกิดหลังจากที่พระเจ้าพิทากแล้วความน่าเชื่อถือของพระไตรศิลปที่เกิดจากการสัมพันธ์ของก้อนหินเนี่ยจะน่าเชื่อถือได้จริงหรือมีเหตุผลอ้าอิงว่าแต่ละแต่องค์นี้จะ ศึกษาปฏิบัติหรือการทอดสิ่งที่เกิดในรั้นพิการได้แน่นอนมันมีงานหรือเปล่าครับมันมีเยอะอ่ะคือถ้าจะว่ามันทุกคำคำพูดคําสอนนี่มันมันเหมือนที่พูะเจ้าตรับมาเลยคงเป็นไปไม่ได้่แต่ถ้าพูดถึงเนื้อหาตาระนี่ท่าที่มันผ่านมาสองพันห้าอกว่าปีนี้พระอรหันต์แต่ละรูปก็ไม่มีใครมาประกาศว่ามันมันผิดพลาดมันผิดเพี้ยนไปจากคําสอนของพระเจ้า ในส่วนที่มันผิดนี่มันก็อาจจะมีบ้างที่เป็นส่วนประกอบแต่ตัวแก่นนี่มันไม่ผิดอริยสัจสี่ไม่ผิดไม่ไม่ผิดมรรคแปดไม่ผิดเพียงแต่ว่ารายละเอียดของการปฏิบัตินี่มันอาจจะไม่ละเอียดพอเช่นเวลาปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปถึงสมาธิถึงขั้นไหนถึงจะออกสูน่นิพพานได้อะไรอย่าเงี้ยก็ต้องอาศัยผู้ที่ปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยมามาม า, มาสอนคืี บางคนก็คิดว่าต้องได้ฌานต้องได้สมาธิเต็มขั้นแล้วถึงก็ออกมีปัจจนาบางคนก็บอกว่าไม่ต้องสมาธิเลยก็ได้เอาปัญญาลูกเดียวเลยก็ได้บางคนก็บอกต้องเอาทั้งสองอย่างเพราะมักมันมีทั้งฝีมีทั้งสมาธิมีทั้งมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้าปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองว่าคําตอบที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนนันก็ลองอาศัยคนที่บรรลุอะถึงยันดีที่สุด ยเงี้ยพอสมัยปัจจุบันเนี้ยพอมีหลวงปู่มั่นมา อ, องคเดียวนั้นนเี่ยแก้ความสงสัยได้เยอะเลยใช่ไหมคนปฏิบัติหลุดพ้นกันไปได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎดกดขอให้ถือ ว, ว่าเป็นเป็นคําสอนที่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นของกลางนะของกลางที่มันมีเวลาผ่าน ม, มาแล้วมันมีโอกาสบ้างที่มันอาจจะมีอะไรสุดพาพบ้างแต่อย่าไปถือเป็นสาระสำคัญ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 แล้วคนถ้าคนที่มาสังขายนามไม่ใช่เป็นพระน่ะนี่มันสามารถที่จะเข้าใจผิดได้อาจจะแปลความหมายของคำบางคำให้ให้ผิดไปได้แต่อย่าไปถือว่าเป็นสาราสำคัญขอให้ถ้าถ้าจะถามก็บอกว่าแต่ความคำสอนหลักๆนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดเกินเราสามารถที่จะไดไ้สามารถที่จะได้ เี่แล้วพกเราโชคดีที่เราเกิดมาแล้วไปได้ทานครูบาอาจารย์สืบทอดจากพระองคุมมั่นมาใช่ในสิ่งนี้ที่โชคดีก็งนีก็แึงเงว่ามีมีพระรัตนใจไงไม่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมก็ถ้ามีพระอริยสงฆ์ก็แทนมันได้ถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์ก็ต้องอาศัยพระธรรมหรือพระไตรปิฎกเป็นหลักหรือหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านมาหน้าภาคไปแล้วเอามาอ่านกัน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 แต่เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่ถ้าอยู่กูบาอาจาย์นี้ท่านจะมีมีวิธีพิสูจน์มีทดสอบจิตใจเราอยู่เรื่อยๆดัง น, <c oughs> นั้นก็ให้ยึดหลักพระรันตนะไกยไว้พระพุธพระธรรมประสงค์แต่นี้พระพุทธเจ้ท่านจะมรุนักภาพท่านนิพพานแล้วก็มีพระธรรมพระอริยสงฆ์ พ, ะพุะเจ้าของกาลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาครับ ที่เห็นธรรมเห็นเราก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชาบก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองก็คือตัวเรานั่นแหละถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชาบจนมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบก็คือพวกเราเอง ใรก็รของ่นารยทพนีดูถามว่าถ้า้ที่ดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหญิงทั้งชายได้ได้ใอทั้งหญิงทั้งชายคืออยู่ที่จิตเนี่ยจิตจิตพัฒนาไปเรื่อยๆืยเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายก็ได้อันนี้คงจะเป็นการจินตนาการของคอยว่า พระโพธศสัตว์รูปหนึ่งจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมห ร, รือว่าเขาอาจจะไม่เทราบเจ้าแม่กวนอิม น, นี้เป็นบุคคลในอดีตหรือเปล่าผู้บอกว่าเป็นตามที่ได้ทราบมาว่าเป็นที่ดาของกสัตริย์อาจจะเป็นคนที่มีมีคนลักษณะเหมือนพระโทธิสัตว์เขาก็เลยเขาก็เลยยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์ แต่ความจริมันไม่มีใครมาประกาศว่าคนนี้เป็นโพธิสัตว์นีืไม่เป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์มันเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนที่จะบำเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งโมทิฟโพธิสัตว์เองก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโพธิสัตว์เพียง mm. แต่รู้ว่าตนเองชอบบำเพ็ญความดีงามทั้งหลาย mm. และพยายามบำเพิญไปเรื่อย หรืออาจจะทราบก็ได้เพราะอาจจะเคยได้ยินได้ดศึกษาธรรมะมาก่อนแล้วได้ยินว่ามีบา ร, รมีศีลอะไรอย่างนี้พยายามพยายามบาเพ็นไปหรือว่าอย่างไรสมัยนี้เราอาจจะเอาธรรมะที่เราได้ศึกได้อ่านมาแล้วมาม า, มาแไปท่ามาประกอบกับคนคนนั้นคนนี้ว่าเออคนนี้ก็มีเป็นนักธรรมะมีมีบา ร, รมีศีลอะไรอย่างนี้เป็นคนที่ทําความดีทำประโยช น, น์กับผู้อื่นได้ เช่นในหลวงนี่บางคนก็คิดว่าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์เหมืกันเป็ mm hmm. ค, คนที่มีมีความดีงามมากในด้านทานศีลเมตมะขันติวิริยะอะไรด่างถ้ามันเป็นเรื่องกับคุณธรรมความดีทั้งรรสิทธิการนี้ mm hmm. ก็ถือว่ากำลังบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ันแล้วแต่ล ร, ราเรียนดาวธรรมะไม่ได้ศึกษานะว่า มีมีเงื่อนไขอย่างไรก็จะถือว่าเป็นโพธิสัตว์ที่ไหนจะต้องบอาิษฐานจิตหรือเปล่าว่าจะขอบำเพ็ญบารมีทั้งเศษนีษ้ไปทุกทุกชาติคงก่าจะได้จักรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาบางคนอาจจะต้องตั้งจับตั้งสัจจะอาิษฐานไว้ก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งสัจจะแต่ก็บำเพ็ญเหมือนกับเป็นพระโพอธิสัตว์ใช่ดังนั้นเข้ออาจจะเปลี่ยนก็ได้หมายาว่า ไปการทางแล้วเกิดไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมะเของพระเจ้าแล้วเกิดทางเข้าใจก็เลยมุ่งไปที่การภาวนาปฏิบัติให้หลุดพ้นเลือล่อนลื่นปล่อยวางเรื่องทางเรื่องชื่อเหลือต่าไปมุ่งไปทางด้านศีลเนก้อธมะไปถ้ายังมุ่งอยู่ทางทางอยู่ยังไม่เข้าไปทางศีลทางเนื้อธมะอยู่ก็ยังค่าว่ายังยังยังต้องการที่จะบำเพ็ทางด้าน ด้านบามีนี้ให้ให้แก่ป้าเพื่อที่ตนเองจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแตก่แต่ถ้าเราที่ว่าการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่มันเท่กว่าการเป็นพระนี่ก็เป็นเรื่องผิดของกิเลส<ม>เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดเพราะการไม่เป็นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระนี่มีถ้าพูดถึงคุณค่าทางด้านจิตใจเท่ากันคือจิตใจสะอาด บ, บริสุทธิ์เท่ากันขึ้นกิเลสเท่ากัน ถึงขั้นนิพพานเท่ากันไม่ต้องไปเรียนไ่า้ตายเกิดอีกต่อไปต่างกันที่ความสามารถพระพุทธเจ้านี่แต่ละองค์นี้ท่านต้องสะสมความรู้ความสาสามารถมาก ถ, ถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนได้สี่จุดทุกวิชาถึงจะได้ปริญญาแต่ส่วนพระอรหันต์ี่ท่านได้สองจุดขึ้นไปก็ก็ผ่านได้ก็ได้ปริญญาเหมือนกันต่างกันตรงนั้นเองคือพระอรหันต์อาจจะไม่มีความรู้ทั้งสี่จุด แต่ท่านแต่พระพุทธเจา้านแต่ละองค์นี้ต้องบำเพ็ให้ครบได้สี่จุดทุกวิชาถึงจะไม่รู้ว่าวิชาไหนสำคัญกว่ากันก็เลยต้องบำเพ็ให้มันเท่ให้มันถึงที่เต็มสุดของมันองเต็มที่ของมันทั้งหมดทานก็ต้องเต็มที่ศิลก็ต้องเต็มที่นี่ขมมะ ก, ก็ต้องเต็มที่คือแบบต้องแบบพวกอุกิขิตรับบิดาลังก็ต้องแบบแบอุกขิตอยากเป็นพระที่อะไรที่แยหลวงท่านทรงแต่งพระมหาชนกเนี่ย ลอยคอในทะเลก็ไม่ยอมแพ้ก็ต้องว่ายไปจนถึงฝั่งจนได้ถ้าเป็นพวกเราก็ลอยคอมองไปไหนไม่ไม่ตะเกียกตะกายแนละ้วแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เขาไม่อย่างนั้นเขาไม่งอมืองอทั้าตราบไดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่ไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชนไม่ไทำการดี อ ย, อย่างพระเวสสัดนดรท่านก็สละทําบุญทําทานหมดทุกอย่างในพวกนี้ขั้น อ, อกุกติจักร์ถึงได้เป็นเป็นพระโพธิสแต่อย่างพวกที่เป็นสาวกพวกก็เรียกอะไรสาวกกระพุ่มก็แบ บ, แ บ, บ, แ บ, บทําแบบพอประมาณอย่างพวกเราก็ทําเผื่อเก็บไว้บ้างให้คนอื่นบ้างอะไเงี้ยเผื่อวันหน้าเกิดเราตกทุกข์ได้ยากอะไรเงี้ยแต่พวกพวกพระ โพ ธ, ธิสัตว์นี่เขาไม่กลัวความทุกข์ความยากความลาบากถ้ามีความจําเป็นจะต้องสลับหมดก็สละหมดไปแล้วก็ไปว่ากันข้างหน้าคอยไปหาวันใหม่ทั้งหน้าจะทุกข์จะยากลําบากมันก็แค่ตายนะครับโพ ธ, ธิสัตว์คิดอย่างนั้นแต่พวกเรามันยังกลัวตายกันอยู่กลัวความยากความลำบากอยู่ทำทานก็ต้องบวกลบคูนหารดูก่อนต้องแบ่งไปใช้ทั้งไหนบ้างแต่ก็เมื่อได้โอกาสถึง เมื่อบา ร, รมีมันแก่กล้าพอทำให้เราสามารถเข้าสู่การภาวนาได้แล้วมันก็จะมันก็จะไปเหมือนกันเข้าสู่ภาวนาเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ปัญญามันก็มันก็หลุดพ้นได้เหมือนกันแต่ความสามารถที่จะมาอบรมสั่งสอนคนอื่นนี้มันไม่เท่ากับอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนคนได้มากมาย่ายก่อเพราะท่ า, ทาบนบาเพ็ญปัญญาบา ร, รมีถึงขั้นเต็มที่เลย ลองลงมาก็มีภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรนี่ก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้เจพอพระพุทธเจ้าก็อาจจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคงต่อไปก็ได้ถ้าไม่ได้มาเจพอพระพุทธเจ้าแล้วมามามาบรรลุเป็นพออระอรหันต์สาเพราะในบรรดาสาวกทั้งหลายรู้จ้า ก, ก็ยกยอ่องภาษาลิบุตรว่ายอดเยี่ยมทางด้านปัญญา เราอย่าไปกังวลในเรื่องไอ้เรื่องคุณสมบัติเรื่องโพธิสัตว์อะไรมากมากไปเลยมากกว่าการบำเพ็ญของเราไม่ต้องกังวลว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็เป็นผู้ใหญ่ทิศเหนีบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะแม่ชีสมัยนี้ที่ที่มีที่เราเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศ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 ักนขอให้เราเจริญมากข่ายแมกมักแปดให้เต็มที่เถิดที่ท่านตรัสไว้ว่ามักต้องเจริญให้ให้ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทําให้แจ้งมักต้องบําเพ็ญให้สมบูรณ์การบําเพ็ญมักนี่แหละก็เป็นการ การกําหนดรู้ทุกข์เพราะเวลาเราปฏิบัติไปเราก็ต้องกําหนดรู้ทุกข์เช mm ่น hmm. เวลาเรานั่งแล้วเราเจ็บกราปวด น, นั่นแหละเรากําลัง mm hmm. กําหนดรู้ทุกข์เรากาลังแยกทุกข์สองชนิดให้ออกจากกันทุกข์กายจากทุกข์ใจแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นจากสมุขใยคือความอยากความไม่อยากเมื่อเรารู้เราก็ปัดความอยากความไม่อยากนั้นด้วยปัญญา mm hmm. ก็เป็นทําให้เกิดนิโรธทําให้นิโรธให้แจ้งขึ้นมา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 แล้วเวลาเราจเจริญมรรคแล้วเราก็ถ้าเกิดเราจะเราก็จะกำหนดกำหนดรู้ทุกเราจะละสมุทัยแล้วเราก็จะทำเรื่องวัฏฏิใจตัวสำคัญอยู่ที่ตัวมรรคนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองฉันั้นขอให้เราบำเพ็ญมรรคนี้คือสมาธิฐิจะนั่งถึงสัมมาสมาธิให้มีมีรรคคือสรุปลงมันก็คือสีลสมาธิปัญญามรรคแต่นี้แยกออกมาก็เป็นสามส่วนสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็เป็นองค์ของปัญญา สัมมากรรมันโตก็เป็นองค์สัมมาวาจาก็เป็นองค์ของศีลสัมมาอาชิวะก็เป็นก็เป็นองค์ของศีลสัมมาค่าขายก็ต้องเป็นสัมมาชีและก็สัมมาวิสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิไม่ได้สมาธิใกล้จะเจริญปัญญา แล้วมีปัญญาก็จะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชื่อก็จะมีศิลบโดยสึกงสิ่นี้นพวกเราตอนนี้เราเป็นสิ่แบบจําได้คือจําว่าต้องทําอย่างนี้ต้องแต่ยังไม่เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งจริงจริงจนกว่าเราจะปฏิบัติตอนจิตของเราได้เกิดปัญญาเราจะเห็นว่าการรักษาสิ่ น, นี้มีคุณค่าเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราถ้าเราเห็นคุณค่าดังนั้นแล้วเราจะไม่ละเมิดสิ่ น, นี้ต่อไป เนี่ยมรักก็อยู่ตรงเนี้เราก็บําเพ็ญกันไปที่เรามาวันนี้ก็เราก็มาบําเพ็ญมากกันบํนาเพ็ญนั่งด้วยการทําทานก่อนทำทานให้จิตใจของเรามีความเมตตามีความกรุณาแล้วเราก็จะได้มีตั้งอยู่ในสิงคือมีสัมมาคัมมันโตสัมมาวาจาแล้วเราก็มีความเพียรที่มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นการสร้างให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องความคิดของเราก็จะตามไปความเห็นเห็นบาปก็คิดว่าบาปเป็นสิ่งที่ควรจะละเห็นบุญว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ความคิดก็จะคิดที่จะทำบุญเห็นว่าการบำเพ็ญภาวนาการเจริญสมาธิปัญญาเป็นวิธีที่จะทำให้จิตมีพลเราก็นำมาปฏิบัติต่อไปมันก็จะทาให้เราจเจริญมากไปเรื่อย ให้มันเข้าสู่ภาวนาให้ได้จะทานเราก็ทําแล้วถีงเราก็รักษากันติที่ตัวที่จะต้องทํามากๆก็คือภาวนาสมาธิปัญญาปัญญานี่เราสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้สงบสีสัสมาทิปเราก็พิจารณาได้เช่นเราเดินไปไหนมาไหนเห็นอะไรเนีเราพิจารณาเป็นไตร ล, ลักษณ์ได้หมดเห็นอะไรบางคนในสมัยพุทธกาลบางคนเห็นดอกไม้เหี่ยวก็บรรลุได้ดอกไม้มัน ดอกหนึ่งมันสดใสอีกดอกหนึ่งมันเหี่ยวก็ก็พวดกันได้ว่าไอ้ดอกที่มันสวยสดใสนี่มันก็ต้องมันก็ต้องเหี่ยวต้องเช้าไปชีวิตของเราก็เป็นแบบเดียวกันวันนี้ชีวิตเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานแต่พอไปมองเห็นคนแก่คนเฒ่าชีวิตของเราต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ป่องได้ไม่ไปยึดไปติดว่าจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาของมัน เันปัญญาอยู่ที่เราจะเราจะมองถ้าเรามองอะไรให้มองให้เห็นเลว่ามีใจรางอยู่ในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันก็จะมันก็จะทําให้เราคลายความกําหนัดยินดีในสิ่งต่างๆทําทให้เราปล่อยวางเราก็ไม่ไปแบกไปหาเมื่อเมื่อเราไม่แบกไม่หาเราก็ไม่ทุกข์กับมันเราก็หลุดพ้นจากมันทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่เพียงแต่ใจของเราไม่มีความรู้สึกต่อสิ่ ง, งต่างๆที่ต่างกันไป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 เห็นความเป็นเหมือนง่ายแต่ว่าพอโอ้โหประมัเด็ปีแปดปน่าเนอะยังไม่รู้เลยคือมันปล่อยวางได้ไงมันเห็นร่างกายเป็นเหมือนดอกไม้เนี่ยร่างกายร่างนี้ทังวันเดียวมันก็ต้องเฉาแห้งเหมือนกับดอกไม้ที่มัน คือมันยังไม่เข้าไปถึงใจมันคิดยังเป็นสัญญาอยู่มันแค่คิดไปเฉยๆตาาบอกออยังยังไม่ถ้าเรียกถ้าเป็นสมัยนี้ก็ยังไม่ปิ้งอะแต่ถ้าคิดไปบ่อยๆก็เดี๋ยวมันก็ปิ้งขึ้นมาเองมอนตอกเสาอ่ะตอนนี้ต้องตอกมันลงไปเรื่อยๆมันยังไม่จมลงไปในดินยังไม่แน่นความรู้ยังไม่แน่นใจมันยังไม่อินไปกับมัน วียคพออคิดไปปั๊บเดี๋ยวมันลืมนะเดี๋ยวไม่เห็นดอกไม้ใหม่ก็ไปซื้อมาซื้อมาปลักจกันอีกนะแต่ถ้าเราปลักอีกสองวันมันจะเหี่ยวมันจะเฉาต่อไปก็ไม่ไปซื้อมันมาให้เสียเวลาต้องเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยนะดอกไม้ก็มาซื้อมาเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยเปลี่ยนมันอยู่เรื่ยอะไรต่างๆก็เหมือนกันอะไรใหม่ๆได้มาเดี๋ยวมันก็เก่าแล้วเดี๋ยวมัต้องเปลี่ยนมันใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปลอดมันก็มันก็ปล่อยวางไปเอง จิตใจมันก็ถอนออกจากสิ่งภายนอกไม่ไปหวังจะเอาความสุ ข, ขมาตดต่อไปเสื้อผ้าออกมาชุดใหม่ๆก็รู้ว่าเดี๋ยวใส่ไปสักพักมันก็กลับลยดีนี่ก็ใส่ของเก่าไปเรื่อยๆก็เหมือนกันเรื่องอะไรต้องไปเสียเงินเสียทองมันจําเป็นไปทุกกับการหาเงินหาทองมาเสียอกเสียใจเวลาไม่ได้มีเงินไปชื้่เสื้อผ้าชุดใหม่ๆมาใส่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเน่ะมันจะเห็นเองอ่ะพิจารณาไปเรื่อยๆ มันจะเชื่อมโยงกันระหว่างความดีอันนี้จังกับความทุกข์มันจะมันจะเชื่อมโยงกันท่านอาจารย์เห็นหน้าผู้กังวลหน้าเาาดียวเดียวเลยคิดแพงแต่ก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนมัน <laughs> ต้องเป็นอย่างนั้นทุกคน <laughs> เห็นอย่างนั้นถึงสภาพที่นอนอยู่ในโรงศพเลยมัน <laughs> ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย ตอนเราทุกคนมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไม่ไปลงศพกันนอกจากตายในอุบัติเหตุแล้วก็มัน mm hmm. ไหม้ไปเลยแฉกกระจุยไปเป็นชิ้นเป็นอันไปก็ไม่มีโรงศพที่จะเอาไปใส่ให้ทั้งหมดแต่ไม่ใชาก็เรือมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้าลงไปเรายังไม่คิดถึงขั้นนั้นไง มันต้อคิดอยู่ถ้าทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่าอนนุนว่าให้เจริญมอนานุสติทุกลมหายใจเข้าออกในการเจริญมอนานุสตินีมน่มันมีความละเอียดไงเราพิจารณาแบบไหนนะเราควรจะเป็นมอนานุสติถ้าคิว่าคําว่าตายคำเดียวมันไม่ดึกซิงหรอกแต่ถ้าเราพิจารณาแยกแยะดูคนที่ตายจะลงศพคนที่เป็นเพื่อนเราอยู่ๆก็ไปนอนตายจะลงศพ เราก็คิดถึงว่าต่อไปเราก็เป็นเหมือนเขาเนี่ยมันจะเส้นเฟ้นอยู่เรื่อยแล้วก็คิดไปอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมันจะมันจะเฟ้นเข้าไปในจิตใใจอีกทีตอนนี้มันยังข่างอยู่เพราะเราเป็นเหมือนสัญญาตอนนี้ได้ยินได้ฟังก็เอพอเข้าใจเดี๋ยวพอออกจากที่นี่ไปก็ลืมแล้วไม่คิดถึงมันอีกแล้วแต่ถ้าเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆคิดไปอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะมันจะไม่ไม่ยินดีร้ายกับอะไรมากแล้ว พอยังยินดีกับสิ่งต่างๆก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นความเบ็ดเที่ยงในสิ่งต่างๆนั้นเรายังไม่เห็นการดับของสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเลิกยินดีแสดงว่าเราเห็นแล้วถ้าเรามีแค่บริฐานแปะนี้แสดงว่าเราเห็นทัน <laughs> เราเท่าที่จําเป็นโดยจะมีอะไรก็มีเท่าที่จําเป็นเพื่อบำเพ็ญนั้นเอง ก็บำเพ็ญเลือกเพื่ออยู่ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปหรือถ้าบําเพ็ญจนบรรลุแล้วก็อยู่ต่อเพื่อเพื่อเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นต่อไปแต่สมบัติก็แค่แปดชิ้นกป๋องหรือถ้าเป็นคารวะก็ปัจจัยสี่ทานั้นก็พอสิ่งอย่างอื่นก็แล้วแต่ความจําเป็นถ้าต้องเดินทางถ้ามีรถยนต์ก็ก็มีไปถ้าต้องติดต่อกับคนมีโทรศัพท์ก็มีไปแต่มีเพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้นเอง ไม่ได้มีเพื่อความรู้หราเพือ่อความโก้เก๋ตามตามสมัยตามแฟชั่นเอาละเนี่ยให้ก่อนเลยนะเยะขาวาเละหะฮาปุ ร, ปราะประเละ ป, ลปลลุเรติสาคารังเอวะเมวาอิตโตทินงังเตตานางอุปกาปติ เอชิตังปัติตังตุนหังคิดต้นเลยวะสนิชเจตุสัพพิปุเรนตุสังคปาจันทปัญญาตุยถามณิชโตติระโสยถาสัพพิตโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัสภวันตรายโยสุขีที่กายโกภะ อาติวาธนศิลปะมิจังุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังหาลังนี่กาลังจะทำถึงถึงท่านว่าค่ะสามาสามการท่เที่ก็ประมาณทักสามกันว่ามันจะได้เนื่องังไหนเท่าๆกัน สามการหลังนีจจะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งครัเพราะสามการหลังนิจจะยาวก็ตรงกันว่าจะทําปกแบบนี้แต่จะทําคนละสีแกเป็นเล่มท่อก็เป็นอีกสีนึ่งทำเบอรไปดีกว่าไม่ต้องมาตั้งชื่อใหม่เล่มที่สองเลที่สไปดีไหมก็แล้วแต่เมตตาจะได้ไม่ต้องคิดว่าจะตั้งชื่ออะไรชื่อมันก็แมันก็ชื่อนั้น แว่าคงจะได้ประโยชน์นั้นยัคืนได้ก็ดีมากเลยท่หใครๆก็ช่วยขนาดฟังแล้วอ่านแล้วก็ยังคืนอยู่แต่อาจารย์ก็ยอมนับว่ายังไม่ยังไม่อาจจะไม่รอบคอบหรือยังอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรบ้างนะเพื่อบางทีพูดตรวจรวจแล้วก็อย่างเงี้ยบางทีอาจจะพูดไม่ครบแต่สำหรับพวกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ท่านที่ท่านมีปัญญามากกว่านี้ขนาดจะรู้ก็ได้ แต่พูดให้ฟังไว้ก่อนว่ามันแล้วอ่านแล้วก็แต่เราก็ปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาติก็ไม่อยากที่จะไปเขียนไปเพิ่มไปเติมอะไรบางนอกจากว่าพาทีพูดอะไรมันผิดทารระบายมันออกไปมีประชาบ้างคงไม่เป็นไรนะก็เราเราพูดแบบสะสมบางทีมันก็คำพูดบางทีมันกงมีเกินมีขาดไม่ไม่ได้เอาไปแก้ไม่คนทแต่อทำไม่ตงจ่าระหว่างพวกขั้วสูงเราก็แล้วกัน ถ้าที่ไหนวีหนังสือครูบาอาจารย์นราชญ์ที่จะนักปราชญ์ที่จะเอาไปเพราะที่นั่นก็มีแสงสว่างอยู่แล้วเป็นเหมือนกับแสงลัดจิตของเราไม่เหมือนแสงเดือนแสงดาวนะครับไปก็เป็นแสงของลกด้วยเราก็จำลองถ้ามันอยู่ในที่มืดแสงขนาดนี้ก็ยังพอทำปรยชนได้สว่างมากเลยไหมลูกกลาบต่อพึครับที่ได้มากล่ก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำประโยชน์ ที่ยังทำให้คนสามารถได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระเจ้าจกที่มานีุ่รถมีคนตามมาเรื่อยๆตอนนี้เยอะเลยนะสบายตามธรรมชาติเพราะท่านอารเริ่มเปิดตัวแล้วก็ไม่ได้เปิดโยมมาหายเองก็อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ปทำอะไรมากกเดินทุกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พอใจกับสภาพที่อยู่ ถ้ามองคุบาจาร์หรือท่านไับประโยชให้กับคนยาก็บางทีก็คิดว่าถ้าทำางได้ก็ดีแต่ก็ไม่อยากที่จะต้องไปรื่นร่อนท่านเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นไปตามตามธรรมชาติของมันเองเมื่อมันถึงเวลามันก็เป็นของไปเองนะแต่น้องตาเมื่อก่อนที่ท่านก็ไม่มีสมัยที่จะมาไปอยู่บ้านจ่าทุงนั้นก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปวัด่านเท่าไหร่เพรตอนนั้นท่านไม่ตปิดท่านจะคอยขับไล่สายส่งนี้ลย่ายเข้าไปก็มีแต่จะ ไล่ค่อยจะว่าอยู่คนเลยกลัวกันแต่เมื่อก่อนจริงจะไอยวัดอื่นกันคอวัดน้องสีขาวคอยวันดน้องสดฟันคอยวัดน้องสีเทาแทนแต่ตอนหลังคุณบาทการท่านมาหน้า่าตื่นนะนักการท่างก็เลยคลายความดุร้ายมากไม่ค่อยไม่ค่อยหุไม่ค่อว่าคนเลยค่อยค่อยกล้าที่จะเขา้าแต่กานท่านตอนหลังท่านมาตรวจยาเดินที่ก่อทการท่อล้วก็เลย <c oughs> เมื่อก่ีท่านจะนที่การสั่งของท่านเองเป็นเพราะท่านนี้จะเป็นกาลังสาคัญต่อไปที่จะเขียนข้อา า, าแล้วตอนนั้นท่านจะเห็นว่ามีครูบาอาจารย์ที่จะขอเคาะญาติโยมอยู่เยอะท่านก็ริยไม่ค่อยตัวทางกามีกาเขียนหนังสือแล้วก็เรียนกสงง อ, งองท่า น, นเลือกนักปฏิบัติที่ที่ที่จะรับรับเอรับการเขียนเที่ยวของท่านได้ ดัง น, นั้นการที่ต้องใจกล้าๆไม่กลัวท่าจะโดดตะดังจะไล่จ ะ, ลจะว่ายไงจะเฉยให้ได้เนี่ยก็จะเป็นูได้แต่ตอนหลังนี้ท่านก็คงไม่ได้เป็นอั่นั้นตอนหลังนี้ท่านเมตตากว้างขึ้นท่านจะไม่เด็กนะไม่ ไ, ไม่ท่านได้จำกัดพื้นที่เ ม, มืนเมาื่อก่อนเมื่อตอนนี้ท่านเป็น20นก็มากนะ เ่อมาถ้าก็เพิ่มเปนยี่สิบห้าสามสิบสิบนี่สี่จุดห้าสิบเนียยาอยู่เมื่อก่อนนี้ก็มีน้อยโรงพยาบาก็มีแค่เดการคนสิบคนแต่นี้ว่านอยู่กันเป็นลอยแต่กอยู่กันได้ไงะผู้หญ่อยู่เป็น้อยเหมือนหมู่บ้านแล้วก็เมตตาเพรามื่อ่อนนี้ท่านไม่ไม่ไม่ไม่ต้องการอย่างนั้ท่านต้องการให้มันที่นิเวกทุกอย่างจะให้อยู่คนคนสลับอะไรง อันน <mind. laughs> <b> ี้มิสึกว่าเป็นหอนอนเนก็เพื่อสงเคราะห์เขาหน่อยนะถึงแม้เขาจะไม่ได้เห็กับขั้นวิเวกขั้นภาวนาอย่างน้ก็ได้ทำบุญได้สั้งเที่ย้งทใไปมารักษาศีลมันก็ทำตั้งคนที่อยากปฏิบัติก็ต้องไปหาตำนักของครบาอาจารย์ที่เรี้ยงเลียงเนว่าดกหลวงพ่อถุยวัดท่านอาจารย์อินทวายอล่ะนะ